ขอนอบน้อมพระอาริยสง์เจ้าทั้งหลายด้วยก็ขอกาศชนะสงฆขอจเจริญพรกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจในการที่จะฟังพระธรรมในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสาธยายหรือมากล่าวพระธรรมโดยเฉพาะก็คือว่าในช่วงงานอาสาหามบูชาเนี่ยเป็นช่วงที่เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธชาวพุทธบริษัท จะได้มาเจริญกุศลได้เจริญกุศลก็คือได้มาบําเพ็ญทานกุศลศีลกุศลแล้วก็เชื่อมโยงสู่ภาวนากุศลซึ่งเป็นหลักแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะจะต้องกระทํากันฉะนั้นในการที่เราจะมาศึกษาฟังพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย โดยเฉพาะก็คือการที่จะต้องมาตั้งใจในการที่จะมาคิดถึงคำสอนคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมแล้วคิดถึงพระริยสงโดยเฉพาะก็คือเราเกิดมาในการที่การตัดสู้ของพระพุทธเจ้าในการที่ศาสนาของพระชินเจ้านั้นยังไม่ผ่านไปหรือยังไม่หมดไปในการละลึกถึงคาสอนถ้าเราดูจากการที่เขาจัดมีทศการต่าง เป้าหมายที่การจัดตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าเพื่อเรานั้นได้รู้จักที่จะเห็นคุณของพระเจ้านะโดยเฉพาะถ้าเราจะนึกหน่วงทางด้านของทางมโนทวารลวิถีทางด้านจิตใจเนี่ยบางทีก็ไม่ชัดก็อาศัยจากการที่จัดนิทรศการต่างๆเพื่อให้เราได้ดูได้ชมพอเราได้ดูได้ชมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอาศัยผ่านทางทวารตาบ้างแล้วก็ทวารหูบ้างประชมลงสู่ทวารใจ แล้วเราก็นึกถึงมโนภาพนึกถึงเรื่องราวต่างๆจากการที่นําเรื่องราวต่างๆมาประดฏมาประทับไว้ในใจก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาคิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านในชั้นของคำสอนบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็จะกล่าวในการพารณนาคุณของพพุทธเจ้าที่กล่าวบอกว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ใดปรารถนาแล้วซึ่งพระสัพพัญยุตยานปรารถนาอยู่ซึ่งทำเป็นที่สิ้นไปของอาสวะทั้งหลายคือกาม า, า, าสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะวิชชาสวะถึงโดยลําดับแล้วพระองค์ได้ซึ่งทำมันเป็นที่พระองค์ทรงปรารถนาแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยปราถนาถ้าเรามองถึงในชั้นของการบำเพ็ญพระบารมีของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นเลยยาวนานมากเสียสงิจขายยิ่งด้วยแสนมหากัปหรือยี่สิบปสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปถ้านับโดยวิจิตหรือนับโดยความพิสดารเราก็จะเห็นว่าการกว่าที่จะได้ตัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ยนะทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวไกลฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราจะพิจารณาถึงในด้านของพระจริยาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญมาเนี่ยถ้าสืบค้นในชาดกซึ่งกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ย550ออห้า้อยห้าสิบชาติเออห้าห้า้อยห้าสิบชาติถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นแต่ถ้าไปสืบค้นจริงๆอาจจะยังหากันไม่ครบเลยต่างๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเห็นพระทานาบรมีของพระพุทธเจ้า เห็นการบำเพ็ญศีลบารมีเนคขมาบารมีปัญญาบารมีแล้วก็วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็เวขาบารมีเห็นเลาะร่องรอยการเดินพระบารมีของพระผู้มีภาคเจ้าโดยเฉพาะก็คือเห็นปณิธานครั้งแรกที่พระองค์ได้ตั้งจิตปรารถนาในการจะเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นมโนปณิธานที่พระองค์ทรงตั้งกันไว้เนี่ยเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ เพราะหลายๆท่านเคยตั้งมโนปณิธานในการที่จะปรารถนาเป็นพระเจ้าแต่ก็ล้มละเนรนาดมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่มุ่งมั่นพระองค์เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่การตั้งมโนปณิธานของพระองค์แล้วเนี่ยก็สามารถเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การเปล่งวาจาออกมาจนได้และเมื่อการเปล่งวาจาออกมาในที่สุดจริงๆนะทั้งจิตใจทั้งกายทั้งวาจาก็มาประชุมกัน ที่สุดจริงๆความสำเร็จก็เกิดขึ้นเมื่อเสียสงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับคือการได้รับพยากรใช่ไได้รับพุทธพยากรนั่นเองอันนี้เราก็จะเห็นว่ากว่าจะเดินทางมาถึงนาวันที่ตั้งมนโบนบณิีานและกว่าจะเดินทางมาถึงในวันที่ได้รับพุทธพยากรขั้งแรกนั้นก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสในการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ถามว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสืบค้นในชั้นคําสอนจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าการที่เราจะเจริญพุทธานุสติหรือการเจริญพุทธคุณการระลึกถึงคุณของพระเจ้านั้ น, น, นจะต้องรู้ส่วนของพระจริยาคุณอย่างมากว่าในส่วนของการบําเพ็ญประธานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทําอะไรมา ฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มีการมาจัดในงานวันสําคัญในวันอานสานอาบูชาเป็นต้นเหล่านี้หรือวันสําคัญสำคัญในทางวาสนาเป้าหมายสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือต้องการให้เราเห็นอะไรต้องการให้เราเห็นคุณของพระบรมศ า, าสดาให้เห็นการที่จักทรงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบําเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวไกลฉะนั้นการที่จะเดินทางมาถึงหน้าวันนี้ได้กว่าเราท่านตั้งหลายจะได้รับธรรมโอสถเนี่ยนะ ว่าเราจะได้รู้จักคำว่าทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรเป็นต้นเนคข ม, มา้าปัญญาวิรยิยะเป็นต้นเป็นอย่างไรนั้นน่ะต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงประกาศพระธรรมคำสอนมาอย่างยาวไกลให้สังเกตดูนะว่าในการนี้เป็นการที่พระพุทธเจ้านั้นยังทรงดารงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรม พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนอนนท์รมและวินัยที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมโดยอัถาก็คือว่าสรีละในสรีละของพระเจ้าเมื่อได้ดับขันธปนิพันธ์แล้วพระธาตุที่เกิดจากสรีละของเราตลอดถึงรัตนบรลลังทั้งหลายเหล่าเนี้ซึ่งทรงประดิษฐ์สถานไว้ให้เป็นที่สการะบูชานั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย หลังการล่วงไปแห่งเราพระศาสดาฝากไว้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าฝากไว้อย่างนี้แล้วทําไมเรามาเห็นเขาจัดนิทรศาการ ต, าต่างๆเหล่านี้เนี่ยทําไมเราไม่เห็นพระศาสดาเหตุที่ไม่เห็นเพราะว่าการประทับไว้ในใจโดยเฉพาะในจิตใจของเราทั้งหลายเนี่ยไม่ฝังแน่นในคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในชั้นของคําสอนถ้าโบราณอาจารย์น่ยท่านจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าชัดอย่างที่บอกว่า อิโทสพันยุตยานังอิฉันโตอาสวะคยังอิถังดัมหังอนุปโตอิทิมันตังนามมิหังบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปรารถนาแล้วซึ่งสัพพะสะพันยุตยานทรงปรารถนาอยู่ซึ่งทรรมเป็นที่สิ้นไปของอาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเป็นต้น พระองค์ก็ทงถึงแล้วโดยลำดับซึ่งทำอันพระองค์ทรงปรารถนาแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพรฤทธิ์อย่างสูงสุดติโนโยโวดดุคาหาตินังโลกานามุตตะโม О ติโสภูมิงอติกันโตตินาวังนามามิหัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดข้ามแล้วจากทุกข์ในวัตตะผู้สูงสุดกว่าโลกทั้งสามคือกามาภูมิรูปภูมิและอารมณภูมิพระองค์ทรงก้าวล่วงภูมิเหล่านั้นได้แล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ข้ามแล้วซึ่งโอคาทั้งสี่มีกามโมคะเป็นต้นปิ โ, โยเดวมนุนสาง ปิโยบรมานามุตโมปิโยนาคาสุปันนานังปิยินดเรียงนมามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดตลอดถึงนารครคชุดเป็นอาทิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเราท่านทั้งหลาย ได้มีโอกาสในการที่จะมาสืบค้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ดูล่องรอยการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในพระชาติที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะท่านมองในชั้นคําสอนท่านบอกว่าในการใดเราเป็นพระเจ้าจักพัฒนามว่ามหาสุทัศนะมีพลานุภาพมาก ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเสวย ร, ราชสมบัติในนครกุสาวดีในการนั้นเราได้สั่งให้ประกาศในที่นั้นๆทุกๆแห่งวันละสามครั้งในนครนั้นว่าใครต้องการอะไรปรารถนาอะไรเราจะให้ทรัพย์อะไรแก่ใครมองตรงนี้จะเห็นว่าตอนที่ท่าน สวยพระชาติเป็นพระเจ้าหมหาสุทัศนะซึ่งเราผ่านมาจะเห็นการจัดนิทัศการในเรื่องของประวัติของท่านพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยผู้ใดยังจักรัตนะให้หมุนไปหรือหมุนไปด้วยจักรสมบัติสี่ยังจักอื่นนอกจากจักรสมบัติเหล่านั้นให้เป็นไปยังมีความหมุนไปแห่งจักรคืออริยบทเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกเพราะเหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าจักรพรรดิ สรุปแล้วก็คือว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยสิ่งที่ประจำบุญของท่านปัันแรกเลยก็คือจับจัดแก้วถามว่าจักกะเนี่ยนะก็คือการหมุนไปแห่งจักถ้าเรามองถึงในด้านของเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกับปวัตตนสูตรท่านพูดถึงอะไรท่านพูดถึงจักกะก็คือการหมุนไปจักเนี่ยพูดถึงสองส่วนนะพูดถึงในลักษณะของทาทางโลกเขาเรียกว่า อาณาจักรใช่ไหมถ้าทางธรรมเขาเรียกว่าพุทธจักรถ้าอาณาจักรเนี่ยเป็นการหมุนไปของเป็นการแผ่ไปซึ่งพระราชอำนาจต่างโดยเฉพาะก็คือหมุนไปในชมพูทวีปหมุนไปในอุตรากุรุทวีปหมุนไปในปุภาวิเทหทวีปหมุนไปในอั ป, ปราโคยานทวีปถามว่าการหมุนกลักไปเพื่ออะไรใจก็แล้วแต่เนี่ยเห็นพระราชอำนาจคือการจักรที่หมุนไปนะทวีปต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ย ทำ ถ, ถามว่าทำไมถึงยกให้เป็นด้วยอำนาจของบุญเป็นด้วยอานาจของบุญถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เราดูมาเนี่ยเราจะเห็นว่านั้นคือการแผ่ไปซึ่งพระราชอำนาจในการที่จะแผ่ไปฉะนั้นการแผ่ไปซึ่งพระราชอำนาจต่างๆเหล่านี้เมื่อแผ่ไปเบ็ดเสร็จแล้วเมื่อพระราชาก็ดีเมื่อประชาชนหรือว่าบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นมาเฝ้าแล้วเนี่ยพระองค์กลับให้อะไร จับให้บุคคลนั้นนะตั้งอยู่ในทานนกุศลเห็น ไ, ไหมให้ตั้งอยู่ในทานากนกะรุสนไปเพื่อจะให้เขาได้บําเพ็ญทานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านมีทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากบุญของท่านท่านไปเพื่อจะไปแจกทรัพย์นั่นเองพอไปเบสเสร็จท่านก็ไปแจกทรัพย์ไปแจกทรัพย์เพื่ออะไรเพื่อไปบําเพ็ญบรารมีไงเพื่อต้องการจะไปบําเพา็ญบารมีไปเพื่อจะไปให้เขาทีนี้การให้ลองสังเกตดูแลนะ้วจะมีสองส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือตัววัตถุทาน ทำไมพระ อ, องค์จึงกล้าสละทำไมถึงกล้าที่จะให้เพราะพระ อ, องค์มองเข้าใจตัววัตถุทานอย่างดีเหตุผลว่าวัตถุทานเนี่ยก็คือเกี่ยวในเรื่องของวัตถุกรรมทั้งหลายนั่นเองก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมอารมณ์หรือถ้าจะมองก็คือโลกทั้งใบไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาทั้งหลายใช่ไหมถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาแล้วก็เกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องประดับ ต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คือทรัพย์ทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยอํานาจของบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิสรุปแล้วก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิท่านไปท่านปกครองจริงแต่ท่านก็แจกทรัพย์เหล่านั้นให้กับบุคคลที่อยู่ในอยู่ในในปกครองของท่านนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ท่านจะให้คืออะไรถ้ามองสังเกตดูว่าทานนะตัววัตถุทานนั้นอันนั้นคือตัวเป็นตัววัตถุแต่จิตที่คิดจะให้ จตที่คิดจะให้ที่เขาเรียกว่าเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเจตนานั้นเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนแล้วก็ชักนําสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับเจตนาอะไรคือเกิดร่วมกันกับเจตนาก็คือกระตุ้นความไม่โลกให้เด่นชัดขึ้นปกติสัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้ที่ติดข้องในวัตถุติดข้องในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ติดข้องในวัตถุภายนอก ซึ่งเรียกว่าบ้านบ้างรถรัพ์บ้างเงินทองรัตนะแก้วแหวนเงินทองตลอดถึงเสื้อผ้าอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยยาเป็นต้นเหล่านี้สัตว์โลกทั้งหลายก็ติดข้องในวัตถุเหล่านั้นแต่ด้วยสภาพจิตใจของบุคคลที่เกิดมาเพื่อจะบำเพ็ญบารมีนั้นน่ะอโลพะเจตนาอโลพะทานของท่านเด่นชัดมากท่านจึงมีจิตที่คิดจะให้และในขณะเดียวกันบุคคลเหล่านั้น ที่อยู่ในการปกครองของท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลประเภทใดก็แล้วแต่ใช่จะเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยหรือสูงส่งขนาดไหนพระองค์ก็ไม่ไม่โกรธไม่หงุดหงิดกับบุคคลประเภทนั้นเพราะอะไรเพราะอาโทสะคือสภาพของเมตตานะในใจของท่านเด่นมากจิตที่เป็นไปกับความเลื่อมใสจิตที่เป็นไปกับความผ่องใสที่เกิดขึ้นในใจนั้นเนี่ยชัดเจน แต่เป้าหมายที่สุดในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญประธานบา ร, รมีนั้นคืออะไรคือปัญญาที่จะเข้าไปรู้ถึงเหตุผลว่าการที่ท่านสละทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ท่านหวังสักกาสมบัติไม่ท่านต้องหวังเทวสมบัติใดๆเลยหรือพรหมสมบัติมาละสมบัติพรหมสมบัติไม่ได้หวังซึ่งสาวกบา ร, รมีญาณอัคระสาวกบา ร, รมีญาณไม่ได้หวังมาซึ่งปัจเจกพอดิยญา แต่เป้าหมายสูงสุดที่พระ อ, องค์หวังนั่นก็คือสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปรารถนาเพื่อใครสัมมาสัมโพธิญาณก็ปรารถนามาเพื่อเราท่านทั้งหลายที่นั่งประชมกันนะที่ตรงนี้แหละถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าการทุก์อย่างในใจของพระโพธิสัตว์หรือพระผู้พระผู้มีภาคเจ้าโดยเฉพาะพระเจ้ามหาสุทัศนะซึ่งเกิดมาเพื่อทรงจะ บ, บำเพ็ญบารมี เราจะเห็นชัดว่าพระองค์บำเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการจักเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นพุทธเจ้าแล้วเราจะมีส่วนในการได้อะไรเราก็จะได้เดินตามรอยบาทรพระศ า, าสดาแล้วก็จะได้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นทีนี้ในชั้นคําสอนสิ่งที่เราจะต้องตามสืบค้นดูอีกมุมหนึ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือว่า ได้ถามว่าทําไมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมถึงมีมากมายหลายประการถ้ามองในชั้นของคําสอนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่พระเจ้าที่ที่ท่านบอกว่าในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อใกล้จะปรินญาพานพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ที่ใต้ต้นสาระทั้งคู่ณสารววันเหล่านั้นผงเจ้ามัลลกษัตริย์ผู้ครอบครองกรุงศรีนราลาซึ่งเป็นทางเข้าของกุงศรีนาลานั้น ท่านพาโนนก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนัตทิควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้ปรฏินิพพานที่เมืองเล็กๆเมืองดอนเมืองกิ่งนี้เลยก็แปลว่าตอนนั้นพระบรมศาสดาจากไปปรินิพพานที่กรุงกุสินาราตอนนั้นพาโนนก็ทูลคัดค้านว่าอย่ามาปรินิพพานในเมืองดอนเมืองกิ่งนี้เลย เมืองใหญ่เหล่าอื่นยังมีอยู่นะขอให้พระบรมศาสดาไปปรินิเพปานที่กรุงจำปากรุงราชเครือกรุงสาวัตถีเมืองสาเกตกรุงโกสัมพีกรุงพระนาศีขอพระบรมศาสดาโปรดปรินิเนปานในเมืองเหล่านั้นเถิดคติยะมหาศาลพระมณะมหาสาลข้าหนดีมหาศาลที่ที่เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระจถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านั้นท่านเหล่านั้นทําการบูชาพระสรีร่าของพระจถาคตแล้วก็แปลว่า ถ้าไปในเมืองเหล่านั้นจะมีคนมาส ก, การะมาบูชามากเพราะบรมศาสดาก็ตรัสว่ า, อ, านอนนท์เธออย่า ก, กล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นกุศลนาว่าเป็นเมืองเล็กเป็นเมืองดอนหรือเป็นเมืองจริงอย่า ก, กล่าวอย่างนั้นเลยอานอนท์เรื่องเคยมีมาแล้วตรงนี้ไงที่จะพยายามจะชักเรื่องเล่าหเห็นว่าวันนี้ที่จะมากล่าวในเรื่องของมหาสุทัศนะเนี่ยแต่มากล่าวโดยในย่าห่งการยอกเพราะถ้าขยายก็นั่งกล่าวกันทั้งวันเลยใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องที่ยาวมาก กล่าวไว้ในทีคัณฑกายเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยาเป็นสูตรที่ยาวมากหรือไปกล่าวด้วยในคัมภีจริยาปิดกนี่ในมหาสุทัศนจริยาฉะนั้นในสองสูตรสองแห่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องกล่าวกล่าวมายิ่งไปเชื่อมโยงเกี่ยวดรลของกรรมและผลของกรรมด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องสืบคน้นหรือต้องการหาข้อมูลกันค่อนข้างเยอะแต่ในวันนี้ ที่ต้องการที่จะมาแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือว่าต้องการจะให้รู้ว่าเหตุอะไรถึงพระองค์ทําเหตุอะไรไว้จึงได้รับผลแบบนี้และเมื่อได้รับผลอย่างนี้แล้วเนี่ยนะถามว่าสิ่งต่างๆที่ทรงได้มานั้นมาจากกรรมอะไรเช่นกรรมที่ทรงบําเพ็ญทานบา ร, รมีมาทําให้ได้อย่างนี้กรรมที่ทรงบําเพ็ญศีลบา ร, รมีเนคขม้าปัญญาเป็นต้นเหล่าเนี้ยแต่อาจจะสืบไม่ได้ทุกบา ร, รมีนี่นะแต่ต้องการที่อยากจะให้เราเห็น เหตุและเห็นผลเข้าใจกรรมและเข้าใจผลของกรรมให้ชัดเจนขึ้นจากการที่เราไปอ่านเองดูนิทัศการต่างๆที่เขาจัดแล้วอาจจะไม่เห็นอัฐะมุมมองต่างๆใช่ไหมอาตมาก็พยายามจะมาสืบค้นให้เราทั้งหลายได้เจาะเข้าไปเห็นสภาพความเป็นจริงว่าเออสร้างเหตุแบบนี้ถึงได้รับผลอย่างนี้เป็นต้นพรุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าได้มีกษัตริย์พระราชน์กษัตริย์ธีร่าทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะผู้ได้รับ บูรถาพิเศษแล้วทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีหมาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชนาจากมั่นคงฉะนั้นกุศินารานี้มีนามว่ากุสาวดีอันนั้นต้องการชี้ว่าปัจจุบันนี่ที่กุศินาราที่ปริณิพานของพระบรมศาสดานั้นน่ะไม่ใช่เมืองดอนไม่ใช่เมืองกิ่งไม่ใช่เมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยอดีตสมัยไหนสมัยที่พระโพธิสัตว์หรือสมัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีมา ตอนนั้นพระองค์เป็นอะไรบอกเป็นพระเจ้ามาหาสุทัศนะถามว่าเป็นพระเจ้ามาหาสุทัศนะนี่เป็นอย่างไรบอกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทีนี้ถามบอกว่าในเมืองนั้นน่ยแต่ละทิศเนี่ยนะในรายละเอียดซึ่งเราก็ดูกันมาแล้วนะมาจะไปอย่างเร็วๆเพื่อจะสรุปประเด็นให้ชัดตรงเนี้นะบอกว่ามีพลเมืองหนาแน่นมากเศรษฐกิจก็ดีเหมือนกับรุงอารกะามนดาซึ่งเป็นราชธานีของทวยเทพที่จเจริญรุ่งเรืองมีประชากรมาก มียักษ์หนาแน่นเป็นต้นเศรษฐกิจก็ดีอานุ์กรุงกุสาวดีนี้เป็นราชทีนีที่อุทึกคลื่โครมด้วยเสียงสิบชนิดซึ่งเราก็ได้ยินเสียงเงินที่เขาจัดกันเนื่อทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือมีเสียงอะไรเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงประคมดนตรีและเสียงเรียกเรียกนั่นเองบอกว่าสําคัญที่สุดก็คือประการสุดท้ายเนี่ยเสียงเรียกให้บริโภค แต่วันนี้เรามาอาจจะไม่เคยไม่ได้ยินเสียงแบบนี้ใช่ไหเสียงให้ดื่มเสียงให้กินเสียงให้บริโภคทีนี้กรุงกุสาวัดดีมีกำแพงเจ็ดชั้นเลยก็ว่าไปตามลำดับถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่จะตามมาที่เราจะเห็นบุญของพระเจ้าจักรพรรดิก็คืออะไรก็คือจักแก้วแม้จับแก้วนั้นนั้นประการที่หนึ่ง จากแก้วแล้วก็มาช้างแก้วแล้วก็ม้าแก้วนี่นะแล้วก็แก้วมณีแล้วก็นางแก้วข้าหบดีแก้วที่เจ็ดก็คือปรินายกแก้วท่านในรายละเอียดต่างๆตรงนี้จักไม่สืบค้นลงไปเพราะว่าเราอ่านในรายละเอียดกันมาแล้วแต่ต้องการอยากให้เห็นว่าจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนั้นชุดหนึ่งและอีกชุดหนึ่งก็คือมีมณีแก้วนางแก้วข้าหบดีแก้วนี่ชุดที่สอง ส่วนชุดที่สามก็คือปรินายกแก้วมีอยู่สามชุดอันนี้คือเป็นแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิ น, นี่อามาจะพูดตรงนี้เขาไว้เพื่อต้องการให้เราได้รู้ว่าจากแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเนี่ยมาจากเจตนากรรมที่เกิดร่วมกันกันกบอโทสะอโธสะที่มีกําลังก็ ค, คือความไม่โกรธที่มีกําลังฉะนั้นสภาพจิตที่มีความไม่โกรธแล้วมีเจตนาที่เป็นไปกับการเจริญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นเหล่านี้ กรรมประเภทเนี้ยเป็นปัจจัยทําให้ได้อะไรจักแก้วช้างแก้วเขาม้าแก้วสรุปก็คือว่าได้ขุมกําลังที่ดีในการที่จะปกป้องนะในการที่จะปกป้องฉะนั้นอํานาจทั้งหลายเหล่าเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่ามาด้วยความไม่โกรธส่วนมั น, นีแก้วนางแก้วแล้วก็ข้าวบดีแก้วอันนี้มาด้วยความไม่โลภอะโลพาที่มีกําลังที่เป็นเจตนาที่เกิดร่วมกันกันกบความไม่โลภ ส่วนปรินายกแก้วเนี่ยมาจากอมโมหะคือตัวปัญญาที่มีกำลังคือรายๆะเอียดไปดูอีกทีทีนี้ถามบอกว่ากรมอะไรที่ทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะได้ได้ขนาดนี้ภูริ้าบอกอานอนท์บอกว่าพระเจ้ามหาสุทัศนาทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิต์ต่างๆอย่างมากมายนะมีแก้วเจ็ดประการดังกล่าวนี้ทีนี้ยังประกอบด้วยฤทิตอีกสี่ประการนะประการที่หนึ่ง พระเจ้าหมหาสุทัศนะมีพระรูปงามหน้าดูหน้าเรื่มใสมีพระเฉวีณนผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่าคนอื่นอันนี้แปลว่า ง, งามมากเท้าเธอสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี่คือประการที่หนึ่งอันนี้เป็นบุญเยลิคือเกิดมาเป็นคนมีพระรูปที่งามหน้าดูหน้าชมคนที่มีรูปงามเนี่ยดูแล้วไม่ดูแล้วไม่เบือ่อดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วก็อยากจะมองนานๆ เราเคยเห็นไหมว่าเรามองใครนานๆแล้วเกิดยิ่งมองยิ่งชื่นใจยิ่งมองยิ่งชื่นใจเนี่ยลักษณะของพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยจะเป็นบุคคลประเภทเนี่ยคือมองแล้วยิ่งเพลิดเพลินมองแล้วยิ่งน่าเลื่อมใสมองแล้วก็ไม่รู้จักอิม่มมองแล้วก็ไม่รู้จักเบื่อเราจะเห็นได้ชัดว่าการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุก็ดีนะอุบาสกและอุบาสิกาก็ดีเนี่ยถ้าได้มองพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งคืนก็กล้ามองกัน ทั้งคืนทั้งวันก็มองเนี่ยทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะการสั่งสมกรรมมาดีนี่คือคือประการที่หนึ่งประการที่สองพระเจ้าหมหาสุทสัศนะมีพระชนมายุยืนนานกว่าคนเราอื่นเท้าเธอสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี่พึ่งประการที่สองให้สังเกตตัวนะตอนเป็นเด็กนะแป่นสี่พันปีอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นราชกุมาร 84% ดหมพันปีคลองราชอยู่ 84% ดหมันปีเงี้ยแล้วก็อยู่ในฌานสมาบัตินะ่ะนะที่ไปบําเพ็ญ บารมีทั้งหลายเหล่าเนี้ขึ้นสู่ประสาทเนี่ยรำมาทำอ า, าระฐทำวัปชาเนบนประสาทเนี่ยตัง 80, 000, 000้งแปดหมื่นสี่พันปีประการที่สี่พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และข้าวบารมีทั้งหลายอานนบิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรแม้ฉันใดเท้าเธอก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์ข้าวบารมีทั้งหลายฉันนั้นพราหมณ์และข้าวบารมีทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเท้าเธอ อานนบุตรทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาชั้นใดพรามข้ามบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเท้าเธอฉันนั้นลักษณะอย่างนี้บ่งบอกให้เห็นว่าความงดงามที่ทรงได้มาอันนั้นเกิดจากบุญญาลิตได้ยินมาว่าในสมัยอดีตการพระมหาบุุษนั้นบังเกิดในตระกูลข้าบดีนะถามว่าทาไมจึงมีลิตรมีอานาจแล้วก็มีทรัพย์มากขนาดนั้น คือเกิดในตระกูลข้ามบดีในอัตภาพที่สามกากที่สามก่อนอัตภาพนี้ก็หมายความว่าอัตภาพที่สามก็นับไปจากปรินิพานแล้วก็ไปนู่นเกี่ยวกันในเรื่องของพระเจ้ามหาศาสนาแล้วก่อนหน้านูน้นนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่นะเข้าตอนนั้นนะ่ะท่านเป็นข้าบดีเข้าไปในป่าด้วยการงานของตนในครั้งนั้นท่านก็เห็นพระเถระรูปหนึ่ง อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพักัรสปาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่ยังทรงพระชนอยู่อาศัยอยู่ในป่านั่งอยู่ในโคนต้นไม้ท่านก็คิดว่าเราควรจะสร้างบรรณาศาลาให้แก่พระคุณเจ้าในป่านี้นี่ท่านดำรินะตอนนั้นท่านเป็นขลับดีใช่ไหมเออเห็นพระที่อยู่ในป่าลำบากท่านก็เลยคิดบอกว่าท่านจะสร้างบรรณาศาลาถวายพระจึงทิ้งการงานของตน ให้สังเกตดูนะว่าเราก็เคยทำใช่ไหมกรรมประเภทแห่งการสร้างกุฏิสร้างวิหารเนี่ยการถวายพระแต่ให้สังเกตนะว่าถ้าระดับพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาเพื่อจะบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยเจตนาหรือจิตจดจ่อในการที่จะตั้งใจในการที่ทจะกระทำนะ่ะต่างจากเราทั้งหลายท่านก็ตัดเครื่องก่อสร้างปลูกบรณารณศาลาให้เหมาะจะเป็นที่อยู่แล้วก็ประกอบด้วยประตูทําเครื่องปูราดได้ไม้ท่านก็คิดว่า พระเถระจะใช้หรือไม่ใช้หนอท่านก็นคิดอย่างเงี้หลังจากทําเป็เสร็จแล้วนั่งณนะที่ส่วนที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเถระมาจากภายในบ้านนะก็เข้าไปยังบารรณาศาลานั่งปูนะปูที่ลาดนะต้นต้นนะด้วยด้วยไม้ตรงนั้นทีนี้แปลว่าพระเถระใช้ใช้บารรณาศาลาของท่าน แม้พระมหาสัตว์ก็เข้าไปหาพระเถระก็ถามบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบรณารณศาลาอยู่สบายดีไหมถามแล้เนะีบอกเออเนี่ยบรณารณาศาลาเนี่อยู่สระสบายดีหรือไม่พระเถระก็ตอบว่าท่านผู้มีหน้างามก็แปลว่าบรณารณาศาลาอยู่สบายสมควรแก่สมณนะก็บอกกับโยมนะว่าเออโยมนะบรณารณาศาลาที่โยมสร้างถวายเนี่ย อยู่สบายดีคําว่าสปาสบายดีในที่นั้นนะไม่ใช่อยู่แล้วทําให้กิเลสเฟื่องปูนะไอ้คําว่าสปาะก็ปแปลว่าเลหนึ่งปุตุก็สปาะมันเหมาะสมแก่การที่จะเดินทานศีลภาวนาะเหมาะสมแก่การที่จะเดินศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนะ่ายเขาเรียกสปา雅เหมือนเรามานั่งหนะ้าที่ตรงเนี้ยถ้าถามว่าสปาะสบายดีไหมแล้าโอ้มานั่งแล้วมันหลับดีอันนี้ไม่ใช่สปาะใช่ไหม มันนั่งแล้วทําให้ศรัทธามันมั่นคงขึ้นทําให้วิริยะเนี่ยชัดเจนขึ้นสติสมาธิและปัญญาเนี่ยชัดเจนขึ้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าสปายะหรือสบายแล้วก็สังเกตดูใจเราที่ว่ามานั่งตรงเนี้ยมันได้อุตุนี่สปายาไหมบุคคลที่เกี่ยวข้องเราก็สปายาหรือไม่ใช่ไหมอาหารสปายาไหมเสนาสนะที่อยู่สปายะแก่การเดินทานเดินศีลสมาธิปัญญาไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ย อาวาตหรือสถานที่เหล่านี้มันไม่ได้มีสาระใช่ไหมล่ะสาระของความงามก็ไม่มีจริงถึงเราจะสร้างให้นดงามขนาดไหนมันก็คือรูปธรรมอ่ะมันก็คือความไม่เที่ยงอ่ะที่สุดจริงๆมันก็ถูกทันท่คือความเกิดและความดับเบียดเบียนบีบคั้นกระทบกระทั่งตลอดเวลานี่ส่วนจริงมันก็ผูกพังไปตามกาลเวลาของมันใช่ไหมที่สุดจริงๆมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของของเราเลยคือมันไม่มันอยู่เหนือการควบคุมท่านรู้ความจริงตรงนั้น ท่านจึงเอาบนนาารรณาลาที่ไม่มีสาระมาทําสาละให้เกิดขึ้นคือมาทําศีและสาละให้เกิดขึ้นทําสมาธิสาละให้เกิดขึ้นทําปัญญาศาลาให้เกิดขึ้นเป้าหมายของท่านคือนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระเห็นไหมอย่างนี้ปแปล ว, ว่ามันสปายะปแปลว่าท่านภาษาที่ท่านใช้คําว่าบนนาารรณาลาอยู่สบายสมควรแก่สมณะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเลยใช่ไหมสปายะหรือสบายของเราเนี่ย ของเรามันสบายอีกอย่างนะนอนหลับดีสบายแล้วก็กิเลสเกิดได้สะดวกโลภะเกิดได้ง่ายโทสะไม่ค่อยเกิดมันสบายของพวกเรามันเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วในชั้นของคําำสอนเนี่ยคาว่าสบายของท่านก็คือว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดสะดวกมากคล่องมากศรัทธาก็โลดแล่นวิริยะก็มั่นคงสติก็ระลึกได้อย่างแข็งแรงสมาธิก็ตั้งมั่น ปัญญาความรอบรู้ก็เกิดพิจารณาแล้วก็เกิดได้อย่างคร่องแคล่วเลยอย่างนี้เขาเรียกสปายะไปเหอะ ท, ที่ตรงนั้นนมันได้อย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลต้องการหาอุตุอย่างเดียวไม่ใช่นะข้อมูลอะไรก็ไม่มีเลยแต่เราต้องการไปหาสถานที่อย่างเดียวต่อให้ได้สถานที่อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้เพราะเราก็หาสปายะไม่ได้ทั้งชาติก็กลายเป็นคนที่วิ่งหาที่อยู่ทั้งชีวิต อย่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเวรพระนี่ท่านรู้พระมห า, าสัตถาถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจักอยู่ณที่นี้หรือพระเถระก็บอกว่าถูกแล้วอุบาสกใช่ไหมบอกโอ้ถูกแล้วอุบาสกทําไมพระเถระเรียกอุบาสกก็แปลผู้ที่เข้ามานั่งใกล้พระรัตนตรยัยนั่งใกล้โดยกายด้วยนะแล้วก็จิตใจก็ใกล้โดยพระมหาบุรุษก็เมื่อทราบนะมหาบรุษก็ทราบว่าพระเถระจักอยู่ โดยอาการเห็นการรับนิมนต์จึงขอให้พระเถระรับปฏิญญาว่าถ้าท่านไปรับนิมนต์ที่อื่นหรือไปมีใครนิมนต์ไปที่อื่นต่างๆท่านควรมายังประตูเรือนของกระผมตลอดไปนะก็แปลว่าถ้าท่านจะไปสงเคอาะใครเนี่ยโยมไม่ห้ามแต่แต่ท่านจะต้องมาใช่ไหอย่อเข้าใจคำว่าถ้าถวายเสยนาสนะแล้วชื่อว่าถวายทุกอย่างนี่ยัง ถ้าให้เสนาสนะเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ได้จบที่เสนาสนะเนีเมื่อให้เสนาสนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยโยมที่เป็นอุบาสกหและบาสิกานั้นก็จะได้มีโอกาสในการบำเพ็ญทานากุศลมีโอกาสในการที่จะเจริญศีลกุศลมีโอกาสที่จะเจริญภาวนากุศลในการฟังธรรมในการอุปถากในการดูแลและก็ในการถวายทุกอย่างเลยใช่ไหม ถวายที่อยู่อาศัยไม่พอถวายเครื่องนุ่งหม่มถวายยาเห็นไหมแล้วก็ถวายเครื่องบรรณาการอีกเยอะแยะเบียเศษทีนี้นั่นแหละคือเขาต้องบอกว่าเมื่อให้เสนาสนะแล้วชื่อว่าให้ทุกอย่างเพราะว่าแต่บางคนทุกวันไปเข้าใจว่าให้เสนาสนะอย่างเดียวแล้วมันจบไงแล้วตั้งแต่นั้นมาตนเองก็ไม่เคยไปดูแลพระเลยอย่างนี้ก็าเรียกว่าขาดคุณสมบัติของอุบาสก หนึ่งคุณสมบัติของอุบาสกหรือบาสิกานะจักทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาใช่ไหมทั้งต่อหน้าและรับหลังจักพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาแล้วก็ไม่ขาดการเนี่ยเยี่ยมเยิยนภิกษุก็คือไปมาหาสู่เนืองนิดไปเพื่อจะไปดูว่าเราจักได้บุญอะไรจากการดูแลอุปถัมภ์นี่เป็นอย่างเงี้นะเป็นต้นไม่ใช่ไปสร้างทิ้งพบก็าหายไปเลยต่างคนต่างอยู่ อันนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีแบบนั้นท่านบอกว่าท่านควรมายังประตูเรือนของก้าผมตลอดไปแล้วก็สละพัฒนาอาหารในเรือนของตนเป็นนิดเห็นไหมเนี่ยแปลว่าถวายนิษตเยพัทเลยก็แปลว่าอาหารเป็นนิดตมาหุดปวกปูเสื่อลำแพนในบรรดาศาลาแล้วตั้งเตียงและตั้งเขาไว้เห็นไหมในบรรณาศาลาไปเสร็จก็เอาเสื่อมาแล้วก็เตียงตั้งมาตั้งเขาไว้ วางแท่นพิงพนักพิงไว้ตั้งไม้เช็ดเท้าเข้าไว้เห็นไหมเริ่มถวายได้เยอะแยะหมดแล้วไม่ใช่อย่างเดียวขุดสะโบกครรีก็ไว้ถ้าเรามาดูที่นิทัศการที่เขาจัดจะมีสะโบกครรีใช่ไหมถ้าตามคำสอนจะเห็นหมดทำที่จองกรมเกลี่ยทรายล้อมบรณารณศาลาด้รั้วหนามเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆให้สังเกตดูนะว่าที่จองกรมต่างๆก็เกลี่ยทรายไว้อย่างดี เพื่อจะให้พระเถระเนี่ยนะได้เดินจงกรมในการเจริญสมถะกรรมฐานหรือเจริญวิปัสนากรรมฐานเจริญภาวนาจะได้สะดวกในการเดินและในขณะเดียวกันก็คือล้อมป้องกันไว้ด้วยทํารั้วไว้อย่างดีกลัวว่าอันตรายจะไม่ได้เกิดจะได้ไม่เกิดขึ้นกับพระเถระนะั้นเช่นมีช้างดุเสือดุอะไรต่างๆสัตว์ป่าทั้ ง, ง, ง, งหลายใช่ไหมที่จะมาทําลายเอาก็ป้องกันอันตรายต่างๆมีงูเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้แปลว่า การกระทําอะไรต่างๆเหล่านะั้นทําด้วยความรอบคอบทําด้วยความรู้ทําด้วยความเข้าใจและในขณะเดียวกันก็คือเจตนาที่ทําไปนั้นเป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธและเป็นไปกับปัญญาในการประกอบเพศเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อจะได้มาซึ่งสัมมาสนะัมโพธิญาณนั่นบุญที่ทําไว้แต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละขณะที่ตั้งอัตยาศัยในการประกอบในการดูแลแต่ให้สังเกตดูนะว่าเจตนาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงทำเนี่ย หนึ่งอุปถากพระเทระหนึ่งรูปก็จริงแต่ท่านมองถึงการอุปถากสังฆะนะท่านมองถึงไถ่ฐานะเป็นสังฆทูตเป็นตัวแทนของสงฆ์ท่านจึงมีความตระหนักอย่างชัดเจนในคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมและคุณของพระเดียสงฆ์ท่านไม่ใช่มองว่าอุปถาภะรูปเดียวแล้วก็ติดขัดขัดข้ดของอยู่แค่บุคคลคนเดียวแต่ท่านสามารถมองที่จะเป็นตัวแทนของสังฆะทั้งจักรวารได้ นี่เขาเรียกว่าสังฆาคารวตาเคารพในพระสงค์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกได้ด้วยนี่นะเพราะว่าในการของพระบรมศาสดายังไม่สิ้นไปทีนี้ท่านก็ขุดสาบโบครานีทาที่เกลี่ ย, รยทรายทาที่จงกลมแล้วก็ทํารั้วป้องกันพยายนอันตรายต่างๆสาบโบครณนีและที่จงกลมก็ร้อมนะก็ล้อมเหมือนกันก็แปลว่าในที่สุดภายในรั้วสถานที่เหล่านั้น ท่านก็ปลูกต้นตาลไว้เป็นแถวเลยเห็นไหมปลูกต้นตาลไว้เป็นแถวเลยคันให้ที่อยู่สำเร็จลงด้วยวิธีอย่างนี้แล้วแปลว่าสถานที่ที่ทำนั้นเน่ท่านทำอย่างดีทำอย่างใหญ่โตไม่ใช่ทำเล็กใช่ไหมว่าเมื่อตอนเองทำแล้วเนี่ยกิจในการเจริญกุศลของตอนเองตอนเองทำเบ็ดเสร็จแต่ถ้าพาเทล้าวางใจไม่ได้เนี่ย เกิดไปติดข้องในสถานที่อยู่อันนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของอุบาสกบาสิกานั้นนะเพราะพระท่านมนานสิการผิดพลาดก็เป็นเรื่องของพระที่ท่านผิดพลาดแต่บุญไม่ใช่จะทําให้อุบาสกบาสิกาบุญของท่านซุดลงนะเพราะว่าเจตนาที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมที่เป็นไปกับการที่จะให้ที่คิดจากบูชาเป็นต้นเหล่านี้สูงส่งมากท่านปลูกต้นตาลท่านได้ทําให้สําเร็จด้วยวิธีอย่างนี้แล้วก็จึงได้ถวาย ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าปลูกต้นตาลไว้เป็นแถวขั้นได้ทำให้สำเร็จด้วยิธีอย่างนี้แล้วจึงได้ถวายสมณาบริขารทั้งหมดเห็นไมไม่ใช่ทำอย่างเดียวแล้วคือพระไตรจีวรแก่พระเถระในการนั้นเครื่องใช้ของบรรพชิตเนี่ยไตรจีวรก็ถวายเห็นไหมกิจกรรมบุญไหลามาเป็นแถวหมดแล้วได้ถวายบินธบาทถลกบาทก็ถวายหม้อกรองน้าก็ถวายภาชนะใส่เครื่องบริโภค ด้วยร่มรองเท้าหม้อ น, น้ำเข็มกําไก่ไม้ไม้เท้าด้วยสว่านดีปรีมีดตัดเล็บปทิบชื่อว่าพระโพธิสัตว์มีได้ถวายแก่พระเทเะไม่มีเลยสรุปแล้วก็คือว่าเครื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ทรงสมควรแก่สัมนาบริโภคสมควรที่พระจะใช้ถวายหมดถามว่าถวายสังเกตดูว่า การถวายเนะี่ยหนึ่งท่านรู้เหตุและผลอย่างยกตัวอย่างสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมว่าถ้าเรามองว่าทําไมตอนที่เป็นตอนที่จะตอนที่สเสด็จออกบรพรพชาทําไมมีคติการพรมนาเอาไตรจีวรต่างๆเอาบาทต่างๆมาถวายอะทำไมไม่นำมาคนยกนี้จะบวชกันแต่ละครัง้งต้องหาบาทหาจีวรแย่ๆเนี่ยนะอันนี้บง่งบอกบุญน้อยใช่ไหม อันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ากุศลที่ทำไว้เนี่ยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้คือความเข้าใจล้วนๆนะท่านไม่ใช่ขับเน้นตัววัตถุจริจงๆเจตนาที่ยิ่งใหญ่อโลภาที่ยิ่งใหญ่อโทสะที่ยิ่งใหญ่และเฉพาะปัญญาที่เห็นเหตุและผลรู้กรรมและก็ผลของกรรมที่เกิดขึ้นและการประมวลความคิด ที่สามารถระลึกทานอกุศลของตนเองได้อย่างเป็นแถวเป็นแนวท่านสามารถประดับตกแต่งจิตของตนเองไปชมจิตนตนเองให้มีความตั้งมั่นได้ด้วยใจระลึกถึงทานนะเมื่อไหร่จิตก็มั่นคงเมื่อนั้นเราเจริญทานากุศลกันมาไม่ใช่น้อยนะเนี่ยชีวิตของเราท่านทั้งหลายเราลองระลึกสินะลองระลึกดูทีว่าระลึกแล้วเนี่ยกามวิตกลดลงไหมพยาบาทวิตกลดลงไหมวิหิงสาวิตกลดลงไหม ยังคิดเรื่องกามคิดถึงเรื่องพยาบาทคิดในเรื่องการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอยู่หรือไม่ถ้าละลึกถึงเจตนาทานละลึกถึงวัตถุทานละลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้เคยสละทานให้ทานไปแล้วเนี่ยถ้าบาปอากุศลธรรมอันลามกในใจไม่สงบราบคาบลงอันนั้นบ่งบอกว่ากระแสใจของเรายังไม่ได้ประดับตกแต่งจิตสภาพจิตของเรายังไม่ได้ปรุงแต่งได้ดีหรือละลึกแทบไม่ออกเลยนึกกระมึนๆใหญ่ๆเลยเนี่ย สภาพจิตที่ไม่ได้โดนฟอกให้ละเอียดเป็นสภาพจิตที่หนาแน่นด้วยกิเลสจิตที่มีกิเลสก้มรุมมากๆเนี่ยคิดถึงบุญได้ยากคิดได้นิดเดียวก็ตกคิดถึงนิดเดียวก็ตกเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่ผ่องใสสภาพจิตไม่คล่องแคล่วแต่คนที่สามารถเดินจิตได้คล่องแคล่วนั้นอ่ะเพราะว่าเขาเข้าใจ เห็นไหมว่าทานนักกุศลถ้าเรามองดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ท่านไตรจีวรท่านถวายอาหารบิณทบาตถวายแล้วก็ถลกบาทก็หม้อกรองน้ําภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม้อน้ําเข็มกันไก่ไม้เท้าสว่านไม้ท้าบาังสว่านดีปรีบังมีดตัดเล็บประทีป พ, พระโพิสัตว์ถวายทั้งหมดสิ่งที่ไม่ได้ถวายไม่มีเลยอันนี้ก็จะมองเห็นว่า ยังยกตัวอย่างเช่นญานะคือรองเท้าหรือล้มท่านเถวาท่านบอกว่าถ้าหากว่าให้ยานะเนี่ยจะได้มาซึ่งอิทธิทั้งหลายใช่ไหมฤทธิ์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้บุญฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยทิพจักขุตาทิพเจโตปริยญาณก็สามารถรู้วาราจิตของบุคคลอื่น ปกเพนิวาสานุสติยานก็ระลึกชาติได้จุตูปปาตยานรู้จุติปฏิสนทีของสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะยานที่สูงสุดก็คืออาสวะขยายานก็คือทำกามาสวะพระวสวะอวิชชาทิสสะถาสว ะ, ว, ส ว, ะวิชาสวะให้หมดสิ้นจากกมลรสันดานในที่สุดเป็นต้นได้ในภพสุดท้ายก็คือสิ่งที่ได้สูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองอันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองงนี้ก็จะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ได้ถวายเดชพระเถระทั้งหมด และอีกอย่างหนึง่ง<ม>เมื่อพระองค์บำเพ็ญทานบัตมีอย่างนี้ยทานกุศลอย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีลห้าในวันปกติและในวันอุโบสถก็รักษาอุโบสถศีลอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่เดินแค่ทานอย่างเดียวแต่เพราะว่าทานที่มีศีลกํากับแล้วจึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากท่านก็มีความเข้าใจเมื่อเดินเจตนาทานอารภพท า, านชัดเจนขึ้น และวในส่วนจริงการให้ท่านก็ให้ด้วยศรัทธาใช่ไหมให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกกาลเวลาด้วยแล้วก็ในขณะที่การให้ท่านก็สละขาดไม่ยึดติดให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลืม้มใจอันนี้แปลว่าเป็นไปกับสัพพุริสถานทีนี้เมื่อท่านเดินเนี่ยจงจิตที่คิดจะให้พอท่านมาเดินศีลนกุศลตัวศีลกุศลเนี่ยเจตนาศีลเป็นต้นอะไรเนี่ย ให้สังเกต ด, ดูนะคนที่มีความเข้าใจศีลเป็นอย่างดีเนี่ยสามารถมองกระแสชีวิตทุกชีวิตให้การงดเว้นจากปาณาติบาตเกิดได้ชัดถ้าพระบริสัทธนี่ก็ชัดเลยท่านสามารถเห็นกระแสชีวิตทุกชีวิตแล้วท่านก็มีความคิดว่าเราจักไม่ทำลายกระแสชีวิตทุกชีวิตที่บังเกิดขึ้นมาแล้ว ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปอยู่มาด้วยอํานาจของกรรมของแต่และบุคคลด้วยกระแสของกุศลกรรมนํากระแสชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยทำให้กระแสชีวิตของเขาดําเนินไปอยู่มากน้อยเพียงใดขอให้เป็นไปตามอํานาจของกรรมของเขาเราจะไม่เข้าไปตัดรอนกระแสชีวิตของบุคคลเหล่านั้นแม้การคิดจะทําลายก็ยังไม่คิดเลยจะป่วยกล่าวไปใยในการที่เราจะไปพูดกระทบให้ชีวิตเขาต้องเสียหาย หรือจะไปประทุษร้ายเขาด้วยเลี่ยวแรงและกำลังเ่าท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แปลว่าท่านสามารถเดินเจตนาศีลเป้าหมายก็คือว่ากระตุ้นเตือนวิรติคือสัมมากัมมันตะวิรติยะคือวิรติคือสภาพจิตที่เข้าไปงดเว้นจากเวรเจตนาอากุศลที่เป็นบาปคือจิตที่คิดจะทำร้ายเขาคิดจะตัดรอนชีวิตเขา ฉะนั้นตัวเวรตีก็แข็งแรงเพราะอํานาจของเจตนานั้นเป็นธรรมชาติที่กระตุน้นเวรตีคือกรรมปัญ ต, ต่างๆเหล่านี้ให้มีกําลังในการตัดรอนเวรและเจตนาอากุศลที่จะไปคิดเบียดเบียนชีวิตเขาด้วยกายหลืด้วยวาจาเป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็าเรียกว่าเจตนาในการที่จะรักษาศีลก็ชัดทีนี้ศีลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่อย่างเราท่านทั้งหลายนะบางท่าน รักษาศีลพอไปสมาทานศีลจบปุ๊บกิจกรรมของศีลก็หยุดแค่นั้นนะเหมือนคนบางคนไปขับรถพอสตาร์ทรถปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เข้าเกียร์รถอะไรให้รถมันเดินไปได้จริงก็ปล่อยปุ๊บปุ๊ปุ๊ บ, บ, บสักพักหนึ่งรถมันก็ดับเองเพราะมันเป็นเกียร์ว่างมันตุ๊บปุบปบ๊นานๆมันก็ในส่วนจริงมันก็ดับใช่ไหมมันไปไม่รอด แต่พระโพธิสัตว์ท่านรู้เรื่องการเจตนาศีลเมื่อทั้งตั้งเจตนาในการที่รักษาศีลเป็นปต้นแล้วเนี่ยเจตนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นกระตุนต้นเตือนคุณธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองเพื่อจะมีการงดเว้นบาปทางกายและวาจาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดหย่อนเลยตั้งแต่มีจิตคิดจะงดเว้นจากการรักษาศีล่องงจิตที่จะงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นที่จะกระตุนต้นเตือนทําให้ศีลเกิด ข, ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วเราท่านทั้งหลายถ้าเห็นจะเราจิตจริยาวัดของขันาบดีที่บำเพ็ญบารมีมาหรือพระมหาบรุษเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเพื่อจักมาเป็นพระเจ้าท่านเล่าอาดีตว่ า, ก, วาก่อนจะมาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะท่านทำกรรมมาเลยแล้วเวลาเราจเจริญศีลเนี่ยเราจเจริญแบบท่านไหมถ้าเราไม่จเจริญอย่างท่าน แล้วเราจะได้ผลแก่การบรรลุได้อย่างไรศีลไม่ใช่เจริญหรือคิดสมาทานครั้งเดียวแล้วกิจกรรมของศีลมันหยุดลงนะกิจกรรมของศีลมันต้องต่อเนื่องเหมือนรถที่บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของพระมเหสีอาตมาเนี่ยถ้ามารักษาศีลแต่ตัวกุศลศีลของอาตมาเนี่ยมันเกิดขึ้นวันแรกคือวันบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยตัวกุศลศีลไม่ได้เดินได้จริงเลย ไม่ได้เกิดขึ้นในกระแสของกายกรรมวจีกรรมจริงๆและตัวโมโนกรรมไม่คอยควบคุมบาปทางกายทางวาจาได้จริงแล้วแล้วอะไรคือศีลมันเดินได้จริงสภาพกุศลศีลถ้าไม่เกิดจริงไม่หมุนจริงในกระแสของจิตใจแล้วเมื่อไหลกายกรรมวจีกรรมของเราจะสะอาดจากหมดจดเล่าเพราะผลปรากฏของศีลคือกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วใจสะอาดใช่ไหยอาการปรากฏหรือผลปรากฏของศีล ละเหตุใกล้ของศีลคือฮิริโอตะปาคือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเราก็ต้องดูสภาพกุศลศีลของเราเดียมันเดินได้อย่างนั้นจริงไหมเราเห็นทุกชีวิตทุกชีวิตแล้วเนี่ยจิตในการคิดจักงดเว้นและในขณะเดียวกันก็คือไม่โกรธไม่คิดประทุษราชีวิตเหล่านั้นแม้สามารถแผ่ไปได้กับบุคคลทั่วทั้งโลกเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาเรียกศีลเดินได้จริง หรือในข้อที่สองบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเราจะไม่มีจิตคิดในการที่จะเบียดเบียนเอาทรัพย์ของเขามาเป็นของเราถ้าพระนี่นะเหมือนอมานี่นะถ้ามาไม่ระวังโลภะจิตของอามาเป็นต้นเหล่านี้ยมาเห็นโยมใส่เพชรนินจินดามามีแก้วแหวนเงินทองมาเนี่ยเดี๋ยวมาคิดอยากได้ไอ้จิตที่คิดอยากได้นะ่ะแปลว่า ตัวกุศลศีลมันไม่เกิดแล้วนี่ไปเกิดได้ยังไงเพียงแต่ไม่แสดงออกมาทางกายกับวาจาแต่ในจิตใจก็คิดตลอดเวลาว่าเราอยากจะได้ทรัพย์เหล่านี้ทําไมเราไม่มีทรัพย์อย่างนี้อันนี้แปลว่าสภาพของกุศลศีลมันไม่เกิดจริงเพราะตัวความโลภก็ดีความลุ่มมัวเมาลุ่มหลงก็ดีเนี่ยมันชัดเด่นขึ้นแล้วแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้เจริญแบบนี้เมื่อท่านสมาทานแล้วท่านจะรักษาศีลตัวกุศลศีลก็เริ่มตั้งมั่น ก็เริ่มตั้งมั่นแล้วก็เกิดอย่างต่อเนื่องว่าทรัพย์สมบัติของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเถอดอย่าว่าเราจะไปเอาทรัพย์ของเขาทางกายหรือทําปฏิกิริยาทางกายหรือทางวาจาเลยแม้จิตใจที่คิดจะอยากได้หรือคิดจะไปประทุษร้ายทรัพย์หรือต้องการเบียดเบียนเอาทรัพย์ของเขาแม้สักนิดเราก็จะไม่ให้เกิดขึ้น ขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอยู่กับทรัพย์มีความสุขกับทรัพย์ใช้ทรัพย์ของตนเองไปกับความสุขทําความดีประกอบการกุศลขอให้เจริญรุ่งเรืองคอใเพิ่มขอให้มีทรัพย์เหล่านั้นเพิ่มพูนมากๆเถิดและทุกชีวิตที่มองก็คิดไปอย่างนี้ตลอดกระแสจิตของตนของว่าบริษัทก็จะตรึกไข ค, ควนรละลึกในลักษณะอย่างนี้ถามอย่างนี้ก็อย่างนี้เขาเรียกว่าสีและบารมีจะเป็นลักษณะแบบนี้จิตใจก็จะน้อมที่จะให้เขามีทรัพย์ น้องไม่เขามีความสุขกับทรัพย์น้องไม่เขามีทรัพย์นั้นเพื่อประกอบคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้และเขาจะมีมากขนาดไหนเราจะไม่คิดเบียดเบียนทรัพย์เขาเลยแม้ทางกายทางวาจาแม้จิตใจไปคิดก็ไม่เกิดไม่คิดอย่างนี้ศีลก็เกิดก็แข็งแรงขึ้นสภาพศีลที่แข็งแรงขึ้นเนีย่ยมันฟอกอะไรควบคุมอะไรควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ใจก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเห็นไหมร่อประการต่อมาก็คือว่าถ้าข้อที่สาม ถ้าท่านรักษาอโบสตสีนท่านก็งดเว้นจากคู่ครองเลยคู่ครองของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นบุตรของท่านผู้ใดภรรยาของท่านผู้ใดาสามีของท่านผู้ใดญาติามิตรของท่านผู้ใดก็จงอยู่กันอย่างมีความสุขเถิดเราจะไม่คิดในการที่จะพากบคลเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับตนเองเลยไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา โดยเฉพาะจิตใจด้วยแล้วเนี่ยน้อมให้เขามีความสุขกับครอบครัวกับบุตรกับภรรยากับสามีของเขาให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเพื่อช่วยกันในการประกอบกุศลกรรมทั้งหลายเหล่านี้และทุกชีวิตก็จะมองอย่างนี้หมดเลยอย่างนี้แปลว่าอะไรตัวเจตนาที่เป็นไปกับการกระตุน้นกระตุ้นความคิดในการที่จะทำให้กุศลศีลเดินมันเดินได้จริงนี้ อันนี้มันมันเกิดมันไม่ใช่เกิดเพียงแค่พยัญชนะที่เรามานั่งทองวาปาณาติปาตาเวรมณีอาทินาธานาเวรามณีหรือว่ากาเมสุมิฉาว่าเป็นตัวนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่แค่ท่องแล้วตอนนี้มันเกิดจากความเข้าใจเข้าใจไม่พอเอาเอามาให้เกิดจริงๆด้วยในชีวิตจริงก็เดินได้จริงสามารถตรึกไขควรได้จริงอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าตัวกุศลศรีลไม่ใช่แค่สมาทานแล้ว เริ่มเดินตั้งแต่วันตั้งใจแล้วก็เดินอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นมากขึ้นถามว่าเราจะให้คำสัตว์และคำจริงเห็นไหมเป็นเรื่องการให้หมดเลยนะก็คือจะไม่ให้คำเท็จจะไม่ให้คำโกหกมันเรื่องของมหาทานนี่เขาเรียกพัฒนามาจากวัตถุทานก้าวเข้าสู่มหาทานที่ยิ่งใหญ่เราจะให้คำสัตว์คาจริงเราจะไม่ให้คาหลอกลวง เราจะไม่พูดกลับไปกลับมาจะให้ทุกคนนั้นได้รับคําที่จริงที่แท้ที่เป็นประโยชน์และประการต่อมาไหมเราจะให้คําสมัครสมานสามคัคคีเพราะเราจะให้คนสมัครสมานสามคัคคีแม้เขาแตกแยกกันเราก็จะพูดให้เขาสามัคคีกันเราจะสรรเสริญความสามคัคคีเพราะเราจะไม่กล่าวว่าจาส่อเสียดเราจะให้เขาจะให้คนทุกคนเข้ากันเหมือนน้ากับน้นํานมเข้ากันได้แยกกันไม่ออกแม้ชั้นใด เราจะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสามาคัคคีกันเช่นั้นและเราจะให้คาวาจาอ่อนหวานคำไพเราะเราจะไม่คำพูดที่เป็นไปกับโทสะคำที่หยาบคายและเราจะให้คำที่เป็นประโยชน์เป็นสาระเราจะกล่าวอะไรก็แล้วแต่เราจะกล่าวอิงอัดอิงธรรมะเราจะกล่าวเรื่องราวที่มีเหตุมีผลมีหลักฐานมีที่ไปมีที่มาทำให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์ในการที่จะนาไปประพฤติปฏิบัติได้จริง และประการสุดท้ายแต่สี่ห ก, ก็คือว่าเราจะไม่เอาของมืนเมาเข้าใส่ตัวเราเองใช่ไหมถ้าของมึนเมาเข้าใส่กระแสชีวิตตนเองเบสเ็จมันจะเป็นเหตุแห่งการเราไม่ให้ชีวิตเขา่เราก็จะได้ไม่ให้ทรัพย์เขาไม่ให้เขามีบริบูรณ์ในทรัพย์จะจะไม่ให้เขามีความสุขในบุตรและบารยาจะโกหกเขาได้เป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมเราจะไม่ให้คําสัตย์คําจริงเขาเมื่อสติสัมปชัญญะเราขาดฉะนั้นข้อสุดท้ายจึงสําคัญเราจะไม่ให้ของมืนเมานั้น เทลาดรถหรือซึมเข้าไปในกระแสชีวิตเราเด็ดขาดถ้าของมึนเมาซึมเข้าไปในกระแสชีวิตของเราเนี่ยเราจะกลายเป็นคนไม่ให้เขาและเราจะไปทําร้ายเขาด้วยพอท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เบสเสร็จตัวกุศลศีลที่งเป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาก็มาเป็นศีลชัดท่านเห็นเหตุเห็นผล ตัววิรติทั้งหลายก็มาทําหน้าที่สัมมาวาจาวิรติก็มาตัดรอนเวรเจตนากุศลที่เป็นบาปแห่งการเจร่วงละเมิดทางวาจาสัมมากัมมันตาวิรติก็มาตัดรอนเวรเจตนากุศลที่จะมาเป็นบาปในการเจตนาที่เป็นบาปที่จะกระทําบาปทางกายสัมมาอาชีวาวิรติก็มาตัดรอนเวรเจตนากุศลที่จะเป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิดก็กลายเป็นบุคคลที่เลี้ยงชีพก็ถูกกล่าววาจาก็ถูกทําการงานก็ถูกแล้วก็ กรรมทางกายก็ถูกต้องสรุปแล้วก็อะไรเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะสะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์นี่คืออาชีวะก็บริสุทธิ์ด้วยนี่ไงคืออัจฉรายระใของพวกบริททบสัทธ์ท่านบำเพ็ญทาศีลบารมีท่านบำเพ็ญแบบนี้ไม่ใช่ไปสมาทานวันพระเบ็สเสร็จหรือวันธรรมดาเบ็สเสร็จช่วงนี้อาสันหบูชานะสมาทานศีลห้าบงบางคนก็สมาทานศีลแปดแต่แต่ศีลไม่เกิดจริงเลยในกระแสะของชีวิต ท่านพระโพิสัต ท, ท่านจะคิดยังไง ร, รู้ไหมถ้าเราสมาทานเราตั้งใจแล้วจะบำเพ็ญทานแต่เราไม่เข้าใจทานไม่เจริญทานให้ถูกหรือต้องการจะบำเพญ็ญศีลบารมีเนกขม้าเป็นต้นแต่เราไม่ทํานั้นเชื่อเป็นการหลอกลวงนะนั้นท่านจะไม่ท่านจะไม่หลอกลวงตนเองไม่หลอกลวงโลกเมื่อท่านได้ตั้งมั่นแล้วท่านก็สมาทานอย่างมั่นคงในการที่จะดําเนินเพื่อจะทําให้กระแสะชีวิตของตอนเองนะั้นเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าท่านไม่เดินอย่างต่อเนื่องไม่ระดมพลเดินขนาดนี้ท่านจะได้มาซึ่งสัมมาสัมปพริยานยังไงสัมมาสัมปอริญานไม่ได้ได้มาด้วยการร้องขอเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งอ้อนวอนขอให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมปอริยาณขอให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมปอริยาณแล้วสัมมาสัมปอริยามันลอยเข้ากระแสของชีวิตได้ไม่ใช่เลยใช่ไหมได้มาจากการต้องระดมความเพียรในการถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ธรรมให้แจ้ง จันนั้นเกิดจากการละดมความเพียรทีนี้ท่านก็รักษาศีลอุโบสถ ด, ด้วยอันนี้อุโบสถก็แปลว่าขัดเกลารแล้วนอกจากจะเป็นแค่ศีลห้านี่ไม่พอแล้วต้องงดเว้นจากอาหารในวันในเวลาวิการเป็นต้นด้วยทำงดเว้นทําไมตั้นหาไงเจ้าสัยทวารลิ้นเนี่ยสําคัญนักท่านเห็นโทษว่าโอ้นน เ, เนี่ยขนาดพระกุณะพระเทระเนี่ยท่านยังบําเพ็ญได้ตลอดการเห็นไหม ท่านก็บําเพ็ญได้ตามการนั้นเหมาะสมเป็นต้นเหล่าเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่นอนและที่นั่งอันใหญ่และสูงเป็นต้นไหมหรือว่าเครื่องประดับต่างๆอันนี้ก็เป็นไปกับตัณหาท่านก็ละตัณหาเป็นคราวในกรณีที่จะทําให้ไปยินดีในเครื่องประดับยินดีในเครื่องแต่งกายทั้งหลายยินดีในของหอมเป็นต้นแล้วก็ยินดีในที่นอนที่นั่งที่ยัดนุ่นและสำลีทั้งหลายเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือละตัณหาคือความยินดีเพื่อเพื่อทีนี้ก็ขัดเก่าก็เป็นเรื่องการอลไ ก็เรียกบำเพ็ญเนคขมะระดับหนึ่งนะเพราะเนคขมะอีกคำอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอะไรกุศลและธรรมทั้งหมดนะ่ยกุศลจิตทั้งหมดเนะี่ยเป็นชื่อของเนคขมะด้วยในบรรดานเนคขมมะหลายๆอย่างฉะนั้นเมื่อจิตเป็นไปกับสภาพของทานกุศลศีลกุศลเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเนคขมะเพราะตอนนั้นออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากวิหิงสาไปทีนี้ท่านก็บํารุงพระเถระตลอดชีวิตแบบเนี้ บำรุงด้วยการที่ว่าถวายไตรจีวรถวายอาหารบินธาบาทถลกบาทหม้ อ, อ ก, กองน้ําภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม อ, อกก็ไปคอยดูแลน้ำปลาณดูแลตลอดท่านบำรุงอยู่ตลอดเวลาจนตลอดชีวิตพระเถระใสยอยู่หน้าที่นั้นแล้วก็บรรลุเป็นพระละหัน์แล้วก็ปรินิพพานเห็นไหมบำรุงจนพระได้บรรลุเลยอันนี้แปลว่าฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ทําบุญตราบเท่าอายุ ได้มาบังเกิดในเทวโลกนะก่อนจะมาเป็นพระเจ้าหมหาสุทัศนะที่จะกล่าวในสูตรนี้ไปเกิดบนเทวดาเป็นเทในสวรรค์ก่อนจุดติก็แปลว่าตายจากเทวโลกมาสู่ความเป็นมนุษย์บังเกิดในราชธานีกรุงกุสาวดีนีเป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันนาว่ามหาสุทัศนะอันนี้ก็มาเชื่อมโยงให้เห็นว่านี่ไง การจะได้มาซึ่งเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะอนุภาพแห่งความเป็นใหญ่ของพระราชามหาสุทัศนะนั้นมาแล้วในสูตรนะบอกอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วก็มาแล้วในสูตรไหนมาในทีขณิกายเนี่ยมาในทีขณิกายเรื่องยาวเลยนะตรงเนี้ยเรื่องถ้าถ้าเอาสูตรนี้มากล่าวก็เป็นเรื่องยาวเลยบอกว่าท่านพระอานนท์ข้าเฝ้าพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าก็แสดงบอกว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วได้มีกษัตริย์ ตราธิราชพระนามว่าพระมหาสุทัศนะผู้ได้รับมุราธาพิเศษแล้วทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็พระ อ, องค์ก็เล่าเรื่องซึ่งได้เล่าเป็นเล็กน้อยแล้วเนี่ยพระราชามหาสุทัศนะเป็นกษัตริย์ได้รับอภิเสกแล้วเนี่ยในว่าพระราชามหาสุทัศนะนั้นมีเมืองประเทศราช์แปดหมืนสี่พันเมืองเห็นไหมว่าแปลว่ามีเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองที่จะต้องปกครอง อันนี้คือพระราชอำนาจในการแผ่ไปในเมืองต่างๆก็ๆคือทวีปเนาะทวีปใหญ่สี่สี่ทวีปะชมโพทวีปไม่ต้องพูดถึงแล้วโลกใบนี้ทั้งใบอุตรกุรุทวีปมีปราสาทแปดหมื่นสี่พันปราสาทมีธรรมระปราสาทเป็นประมุกอันนี้ดูอะไรสมบัติที่ได้มาจากการอุปถาพาเทละาเนี่ยนะเนี่ยเราดูนี่นะมีเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลัง ว่าเอเนี่ยถ้าจะจัดนิทัศการเนี่ยนะถ้าจัดจริ ง, รงๆเนี่ยวัดมหาธาตุนี่ไม่พอใช่ไหมไม่พอเลยจะจะจัดยังไงต้องโน้น ต, ต้องให้สมสมดุลหน่อยนะเอาท้องสนามหลวงทั้งหมดเนะ่ยจัดแล้วกระดมระดมประชากรทั้งประเทศที่จริงท้องสนามหลวงก็น่าจะน้อยไปน่าจะไปจัดโน้นเะน่ะจะที่ไหนดีเนี่ที่สองพันห้าร้อยกว่าไลฟพุทธมณฑล น, นนะี่ยนั่นเอาไปจัดอย่างนั้นแหะถ้าจะจัดเมืองของพระเจ้ามหาสุทัศนะไปโน้นแหละที่ ที่พุทธมณนลเน่แล้วก็จัดจำลองให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเงี้ยนะแ น, นีชัดเลยแล้วก็ประกาศไปทั้งโลกให้คนได้รู้จริงๆม่ต้องทำอย่างนั้นประเทศไทยเมืองพุทธชัยมควรจะทำอย่างนั้นแหละไม่นี่ไม่แอบทำเล็กๆอย่างนะเงี้ยนะเหตุที่มาทำเล็กๆอย่างนี้ก็คือว่าอะไรเพราะคนยังไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้ากันจริงๆ ถ้าวันใดวันหนึ่งนะมีคนเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไปจัดกันดิ่โนนเน่ยพุทธมนตร์ทนและจัดยิ่งใหญ่ด้วยใช้งบประมาณภาครัฐเต็มที่เลยเนี่ยเนี่เต็มที่เลยถ้าอย่างเนี้ชัดเลยแล้วก็ประกาศบอกว่าเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นเมืองพุทธ9ก้าสิบ้าเปอร์เซ็นตนี่เป็นชาวพุทธฉะนั้นจะบูชาพระพุทธเจ้าเอาพระประวัติในหมหาสุทัศนาเนี่ยนะมาจัดนิทรรศการแสดง สแสดงสักเดือนสองเดือนสามเดือนให้ทั่วโลกมาดูก็ให้ชมกันในชื่นใจเลยอย่มั้งถ้าอย่างนี้สมสมแก่การที่จะเป็นเมืองพุทธอย่างได้จแต่พวกเราก็คิดว่าอันนี้พูดให้จิจนตน า, นาการกันไว้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะั้นะ่ะยิ่งใหญ่มากกว่านั้นแต่นี่แค่นัดจำลองเล็กสุดๆนะเล็กสุดๆเรือนยอดมหาพยุหานี่เป็นทําด้วยเงินทํำด้วยเงิ น, ท, งนทั้งหมดเหล่านี้เกิดด้วยอา น, นิสงส์แห่ง การสร้างบรรณาสาราหลังหนึ่งหนึ่งเนะหนึ่งเนระเพิ่มขึ้นมา8ปดหมื4นสี่พันแปดหมืนสี่พันแปดหมื่นสี่พันเนี่ยยอมคิดว่าเกินกว่าเหตุไหมแล้วเกินหรือไม่เกินเราคิดว่าศาราหลังเดียวไงแต่เราลืมคิดเม็ดของเจตนาที่หวานลงไปในสาราหลังนั้นใช้เวลาหวานทั้งชีวิตเนี่ยเนะนะ เม็ดของเจตนาที่เป็นกุศลอโลพาทานที่เป็นกุศลธรรมชาติที่ตัดความตเหนีความหวงแหนสภาพที่ก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเราอย่าไปคิดว่าแม้ไม่สมดุลเลยให้หนึ่งได้มาแปดหมื่นสี่พันแปดหมืนสี่พันตั้งหลายอย่างใช่ไหมปลูกมาเม็ดมมเมล็ดมะม่วงหนึ่งเม็ดได้ผลมาเป็นหมื่นๆเมล็ดยังมีเลยอย่างนี้สมเหตุสมผลไหมถึงบอกว่า มันแล้วแต่ใครจะไปปลูกเออมนแล้วจะจะได้ดินได้อากาศได้อุตุหรือได้สภาพแก่การแวดล้อมดูแลอย่างไรนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นมีเมืองประเทศสลาศขึ้นอ่ะแปดหมื่นสี่พันเมืองมีกุสาวดีเป็นประมุกมีปราสาทแปดหมื่นสี่พันปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประมุกเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันเรือนยอดมีเรือนยอดมหาพยุหะเป็นประมุก ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยไอ้สองแห่งบรรณศสาลาหลังหนึ่งซึ่งพระองค์สร้างถวายเดี๋ยวพระเถรรตนนะั้นต่อไปจะได้จำไว้ว่าเมื่อเราจะเจริญทานกุศลลงไปแล้วเนี่ยท่านเอามาละลึกอ่ะวิธีการตรงนี้บอกหน่อยต่อไปจะได้ทำให้ยิ่งใหญ่ทำไมท่านได้อย่างนั้นนะหนึ่ง ให้สังเกตตัวนีว่าตัวท่านเองอตัวคราะห์บดีตัวพระโพธิสัตว์นกายกรรมท่านก็ไล่โทษวจีกรรมท่านก็ไล่โทษมโนกรรมท่านก็ไล่โทษฉะนั้นกายกรรมที่ไล้โทษวจีกรรมที่ไล้โทษมโนกรรมที่ไล่โทษก็แปลว่าท่านเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษทางกายทางวาจาและทางใจคนไม่มีโทษทางกายก็คือท่านไม่ทุศีลทางกายอะท่านควบคุมได้ท่านไม่ให้กายไม่ให้การล่วงละเมิดศีลทางกาย เกิดขึ้นวจิกรรมก็ไล้โทษคือท่านไม่มีโทษทางวาจาไม่ได้พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจ้ามโนกรรมท่านก็ไล่โทษคือท่านไม่ได้พยายาทบัตรใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีการไม่มีการไม่ฉันทะไม่มีพยายาทไม่มีวิชาที่ติเกิดขึ้นแปลว่าตอนนั้นน่ะเห็นไหมตัวท่านเองในฐานะที่เป็นทายกคือผู้ให้เนี่ยบริสุทธิ์นี่บริสุทธิ์อีกส่วนหนึ่งปฏิฆาหก คือสองที่รับเนี่ยท่านไม่ได้ปารบบุคคลท่านปรารบสองสองทูตศีลไม่มีสังฆทูตเนี่ยตัวแทนเห็นไหมเหมือนเอกอัคราชทูตอย่างเงี้ยเป็นตัวในประเทศไทยอย่างเฉลิมพระเอกอัคราชทูตอเมริการะจาประเทศไทยอย่างเงี้ยนั่นแหะคือตัวแทนประชากรสองร้อล้านของอเมริกันชนเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ตัวทูตคนเดียวท่านมองประชากรนูน้นนี้เหมือนกันไม่ได้มองพระเถละรูปนั้นองค์เดียว ท่านมองว่าพัทเถรานั้นเป็นตัวแทนแห่งสงฆ์สาวกของพระเจ้าหาประมาณไม่ได้อปมานโนสังโคไหมคุณของพรนะเรียสงค์คุณของพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้อันนี้แปลว่าอะไรในผู้รับบริสุทธิ์ไหมผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ธรรมะมิยะรัฐวัตถุวัตถุที่ท่านได้มาทุกชิ้นบริสุทธิ์หมดเลยทําไมถึงบริสุทธิ์เพราะท่านเลี้ยงอะ ท่านมีสัมมาชีวะท่านจึงสแสวงหาอาชีพด้วยความไม่ไม่โลภไม่โกรธและสแสวงด้วยปัญญาท่านเลี้ยงชีพด้วยการไม่ใช่ทุ่นศีลเลี้ยงชีพท่านมีอาชีพที่บริสุทธิ์ฉะนั้นทรัพย์สมบัติทุกชิ้นที่ได้มาจึงเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์สรุปแล้ววัตถุก็บริสุทธิ์ตนเองก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์สมส่วนแล้วนะนี่นะสมส่วนนี่ไงเราทําได้ไหมเราถ้าทำได้แบบนี้อันนี้สงชัด ประการต่อมาปุพพะเจตนาเจตนาก่อนให้โอท่านบริสุทธิ์มากก็แปลว่าปุพพะเจตนาแข็งแกร่งสัตว์โลกทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เดินปุพพะเจตนากันไม่ค่อยแข็งแรงเช่นเวลาท่านจะไปแสวงหาสิ่งของต่างๆในการที่ท่านจะมาทำบรรณศาลาทั้งหลายท่านก็ตรึกไค่ควรไปตื่นเต้นไปคิดไปสุขใจไปนะมีความสุข ปุพพัเจตนาที่เป็นเจตนาในการคิดที่เป็นไปกับศรัทธาอย่างมั่นคงมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเห็นไมตัวปุพพัเจตนามีศรัทธามีวิรยิยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการที่กระตุ้นหน้าธรรเหล่านั้นน่ให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการที่จะทำให้ปุพพัเจตนามีกำลังมากขึ้นยังไม่ได้ไปทำนั้นเลยท่านตื่นเต้นตลอดเวลาปลาโมดปีติเกิดขึ้นใช่ไหม เราเคยคิดจกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วตื่นเต้นเป็นเดือนๆไหมเล่าอันนี้จักไปอุปถากคสงจักไปดูแลสงนั้นตื่นเต้นท่า น, นชื่นใจฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นปุพพเจตนานั้นน่ะเขาเรียกบริสุทธิ์ไม่ไม่ใช่อย่างเราเนะคิดจักไปถวายทานหนึ่งส่วนความตณีก็มารุมล้อมสัพันธ์ส่วนตัณหามานะก็มารุมล้อมสัพันธ์ส่วน บางทีก็ตั้นหาพันส่วนทิฐิพันส่วนมานะพันส่วนสามพันส่วนเนี่ตั้นหามานะทิถิเอาไปกินหมดแต่กุศลเกิดได้ส่วนเดียวอย่างนี้ไงสภาพใจปุพพาเจตนาของเราจึงไม่แข็งแกร่งแม้มาถึงมุนจาดเจตนาในขณะให้ก็เหมือนกันนะในขณะที่เอาของกําลังไปถวายนี่นะตอนนั้นอ่ะอมุนจาดเจตนาเป็นกุศลได้แป๊บเดียวเองหนึ่งส่วน ตันหามาพันส่วนทิฏฐิไม่พันส่วนมานะไมากพันส่วนมันเป็นแบบนี้มันก็อ่อนแอที่บุญแบบนี้บุญที่มีตันหามานะทิฏฐิแวดล้อมอ่ะมันก็อ่อนแอกําลังมันก็น้อยแล้วก็มาร้องบอกว่าโอยไม่เชื่อหรอกทำบุญอะไรมันจะได้มากมายขนาดนั้นตนเองปรุงแต่งจิตไม่เป็นเนะี่ยประดับจิตปรุงแต่งจิตเนะี่ยตกแต่งจิตไม่เป็นเนะี่ย ประชมจิตให้เป็นไปกับศรัทธาที่มั่นคงวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เป็นเนี่ยไอ้ที่ไม่เป็นไม่ใช่อะไรล้วไม่ไม่สังเกตใจตนเองด้วยในขณะที่จะก่อนให้ขณะให้โดยเฉพาะหลังให้แล้วจบเพลเลยไม่เคยคิดอะไรกันเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเล่าพอให้เสร็จแล้วกิจกรรมก็เสร็จไปเลยเขาถามว่าวันนี้ไปทาอะไรมาคิดไม่ออกขนาดคิดเรื่องยังไม่ออกเลยไม่ต้องคิดถึงเจตนาที่จะให้นะ คิดนึกเอวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างเนะียนึกก็ไม่ออกบางทีทาทาไปก็มัวเพลินไปเรื่องอื่นหมดล้วฉะนั้นเจตนาของเราเป็นแบบนี้แต่ของพระโพธิสัตว์เห็นไหมว่าก่อนให้ดีใจไหมท่าให้เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจสรุปแล้วหประการเนี่ยชัดมากตนเองบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ บอนให้บริสุทธิ์ขณะให้บริสุทธิ์ให้แล้วก็บริสุทธิ์เนี่ยอันยิ่งชัดและไม่ใช่แค่นั้นเวลาท่านมาละลึกเห็นไหมละลึกที่เป็นอภปปาระเจตนาเนี่ยโหชัดมากเลยละลึกเมื่อไรก็ตื่นเต้นชื่นใจสุขใจมีความสุขปลาโมดปีติปสัส s ธิความสุขสมาธิก็เกิดละลึกที่ไรกิเลส ก, ก็วิ่งหนีจากใจทุกที ไม่ใช่บางคนละลึกทีไลกิเลสก็ล้อมจิตอยู่เลยกิเลสก็ล้อมจิตอยู่เลยเพระโพธิสัตว์จะไม่ทำแบบนี้ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าให้บรรณาสลาหนึ่งหลังมีเมืองประเทศสลารแปดหมืนสี่พันเมืองมีกรุงสุสาวดีเป็นประมุขทำไมได้ได้สมบัติขนาดนั้นแล้วก็มีประสาสแปดหมืนสี่พันประสาสเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันเรือนยอดนี่ไง ถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นนี้แหละคือเจตนาที่เป็นไปกระทานนบ ร, รมีของพระโพธิสัตว์นี้ประการต่อมาคือว่าทีนี้อันนี้คือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอนนน า, านิสงส์แห่งการสร้างบรรณศาลาเก็บก่พระเถรานั้นบรรลังแปดหมืนสี่พันบรรลังช้างด้วยช้างถ้าหากเต็มสูตรในสูตรนั้นก็แปดมื่นสี่พันเชือกนะในนี้ก็หนึ่งพัน มาแปดหมื่นสี่พันตัวเน่ะรถก็แปดหมืนสี่พันเคืองเกิดขึ้นด้วยอา น, นิสงส์แห่งเตียงและตังทิพองค์ถวายแกพระเถรานะเพราะว่าการถวายเตียงและตังจะได้ช้างจะได้ประทับเนืจะได้บัลลังก์ใช่หมโอ้โหเราลองคิดดูที่อาสนะใครเคยถวายอาสนะเดียวพระบาังไหมเนี่ยชีวิติบานมาถ้าถวายในการคิดอย่างเราๆานี่นะหนึ่งเราดูตัวเรานะ เราบริสุทธิ์อย่างที่พระอย่างพระบริสัทธ์ไหมและผู้รับเราน้อมสงไหมและวัตถุที่ได้มานั้นน่ะเราเลี้ยงเราเป็นผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดไหมเป็นผู้ที่แสวงหาเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์วัตถุได้มาบริสุทธิ์เป็นต้นไหมเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้ก่อนให้ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจอัตมโนเดวมีใจเป็นของของตอนนี่เลยโอ้ชื่นใจนี่บังคับคอนโทรนจิตเนะ เห็นไหมการให้เตียงและต่างได้รัตนะได้บัลลัง8 4แปดหมื่นสี่พันบลลังนี่ผลบุญท่านได้ช้างได้มา้าได้รถนี่เกิดขึ้นด้วยเตียงและต่างที่ดไวเดวพระเทระนั้นนีตรงนี้เวลาเราไปเจริญทานกุศลนะจะได้คิดเป็นเหตุและผลเหตุแต่อย่าคิดด้วยโลภะ ถ้าคิดด้วยโลภะก็โอ้โหรวยเน่รวยเนี่ยไปเลยตั้หากินอีกจริงๆต้องคิดด้วยกุศลให้ปัญญาขึ้นมาเดินเห็นเหตุและผลเห็นเหตุและผลให้ชัดวจจเวลาเจริญทานหรือว่าเดินทานกุศลเราจะได้ไม่ไม่เหงาหงอยแล้วก็จะได้ไม่จะได้เดินจิตที่เป็นไปกุศล<ม>ได้จริงทีนี้เตียงและตังที่พระองค์ที่พระองค์ถวายแด่พระเทวรานะั้นส่วนแก้วมณีแปดหมื่นสี่พันดวงเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์การ แห่งปฏิทิที่พระองค์ถวายเดี๋ยวพระเถระเห็นไหมเอาปฏิทีบถวายด้วยใช่ไหมจะได้มีที่จองกรมจะได้มีที่นะออกไฟนั่นเองเราเคยเอาปฏิทีบูชาพระพุทธเจ้ากันไหเล่าบางคนนี่เคยบูชามาเยอะคือตัววัตถุมากแต่เจตนาอ่อนแอเคเป็นไหมไอตัววัตถุนี่โอ้โหถวายว่าเยอะมากเีการประชมพระตันเมื่อไรโอ้ยไฟฉายเป็นแท้วมาเลยเนะ่ย ซื้อกันโอ้โหเป็นพันๆเป็นองทีสี่ห้าร้อยเลยแต่ถามว่าเจตนาล่ะอ่อนเอมากเลยไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลเป็นเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้ที่ชัดเจนเป็นตัวให้ผลทีนี้นอกจากเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้เป็นตัวให้ผลแล้วยังไม่พอ แล้วกรณีแห่งการที่ผู้ให้บริสุทิ์ไหมผู้รับบริสุทธิ์ไหมวัตถุที่ได้มาบริสุทธิ์ไหมต้นต้ น, ตนการประชมที่ครบองค์หกเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นปัจจัยในการได้มาซึ่งความบริบูรณ์แห่งทรัพย์ทั้งหลายทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้บอกว่าปฏิบัติแปดหมื่พันดวงเนี่ยไอสงจากการถวายปฏิบสบุกกรณีแปดหมื่นสี่พันสะ สะโบครณีนะ8ปดหมื่นสี่พันสะมบางบ้านจะหาสะสักสะก็ไม่ได้เนี่ยเด้อใช่ไหมล่ะเกิดด้วยอา น, นิสงส์แห่งสะโบกครณีหนึ่งสะที่ถวายเดีรพระเถรละขุดสะถวายเดีรพระเถรละหนึ่งสะแต่อา น, นิสงส์ได้มา8ปด0มื่นสี่พันสะที่ถ้าเราเข้าใจมุมแรกของเจตนาทาน อาลภพาทานเบ็เสร็จแล้วก็พัฒนาสู่ถึงวิรติทานที่เป็นใบอํานาจของศีลไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สงสัยแล้วและเป้าหมายสําคัญที่สุดสังเกตนะว่าพระบริสัทท่านบําเพ็ญบา ร, รมีเนะี่ยปัญญาท่านเด่นมากไม่ใช่บําเพ็ญแบบไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่ใช่เลยท่านชัดเจนมากในการที่ท่านจะเดินทางในกุศลของท่านนะเพราะท่านเข้าใจเหตุและผลเข้าใจกรรมและผลของกรรมและเข้าใจว่าให้อย่างนี้จะได้อะไร ใช่ไหมมันเหมือนคนบางคนที่บอกว่าเราจะขับรถกลับบ้านเรารู้ทันทีว่าถ้าขับไปทางนี้จะถึงเร็วไม่เร็วอย่างเงี้ยท่านเข้าใจเขาเข้าใจมันคิดออกมันคิดเห็นผลที่จะเกิดในอนาคตออกนี่ท่านก็เห็นท่านเห็นผลของท่านอย่างเราเวลาให้มันมืดใช่ไหมฝังอะไรลงในฝังคุมทรัพย์ไว้ในพระรัตนตรัยแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เราฝังเนี่ยมันมืดมิดผลมองไม่เห็นผลแต่เหตุที่กําลังทำํำบางทีก็ไม่เข้าใจเหตุ เห็นไหมการที่เราประชุมเหตุแต่เราไม่เห็นผลเนี่ยอันนี้เป็นความมืดบอดของความที่เรายังไม่ได้ฟังให้เกิดความเข้าใจถ้าฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้ในใจจะได้สว่างจะได้ชัดว่าการเดินกุศลเขาเดินกันอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าสาบวกครณีที่บอกว่าหนึ่งสะท่านได้มา 84%, ดหมื่นี่พนะันสานเกิดด้วยอ น, นิสงส์แห่งสานั้นสตรี 84% พนาง พระเจ้ามหาสุทัศนาเนี่ยมีนก็คือมีนางสนม8 4 0 0 0นพนางแล้วก็มีบุตร 1,000 พและขลบดี 1,000 พันคนด้วยอานิสงส์อย่างการถวายเครื่องบริขารของบรรพชิตที่สมควรแกร่สมณบริโภคไตรจีวร อ, อาหารและบินทบาทถลกหม้อกรองน้ำภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าเป็นต้นเนี่ยเข็มกันไก่ไม้เท้าวสวรคนเปร็นต้น ถ้าเรามองที่จะเห็นว่าสตรีแปดหมื่นสี่พันนางก็ดีบุตรหนึ่งพันคนก็ดีนะหนะึ่งพันเนี่ยเกิดด้วยอาริงในการถวายเครื่องบริการบรัรญิชิตอันสมควรแก่สมณบริโภคมีถลกบาทเป็นต้นแม่โคนมแปดหมืนสี่พันตัวเกิดขึ้นด้วยอินนสงศ์การถวายเบญจโค ร, รถใช่ไหมเนยใสเนยน้นเป็นต้นเหล่านี้อันนี้แปลว่าา มันถ้ามีระดับแม Cross ่โคนมแปดหมื่นสี่พันก็ระดับอะไรระดับฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ยขนาดใหญ่เลย<ม>เป็นบริษัทเลยเ้ย <S 1> <S 1> <ม>เกิดด้วยอั น, นิสงส์แห่งการถวายเบญจครรถครั้งผ้าแปดหมืนสี่พันหลังอันนี้คลั้งเก็บผ้าเนี่ยแปดหมื่นสี่พันหลังไม่ใช่ภาพนะไม่ใช่พับเพราะวันหนึ่งนั้นนะพระองค์จะต้องมีคนเอาผ้ามาถวายวันละแปดหมื่นสี่พันโกดพับ ใช่ไหมแต่ใช้จริงๆใช้วันละพัเนียวใ้วันละผืนเนี่ยเด น, นั้นไปดูตอนช่วงท้ายเกิดด้วยอา น, นิสงส์การถวายเครื่องนุ่งหม่มในถวายจีวรเนี่ยแม้พูดถึงการถวายจีวรเนี่ยถ้าให้ยกมือเนี่ยทุกคนที่ไม่เคยถวายไม่มีใช่ไหมแต่เราทําองค์ครบองค์หกได้อย่างท่านไหมถ้าทําอย่างเงี้ยแล้วก็มีศีลกํากับไหมถึงจะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มาก ทีนี้ด้วยอนิสงฆ์แห่งการถวายเครื่องนงขมถาดถาดอาหารแปดหม่นสี่พันใบเกิดด้วยอนิสงฆ์แห่งการถวายโภชนาะท่านถวายโภชนะเนี่ยพระโพธิสัตว์เป็นราชาธิราชประกอบด้วยรัตนเจ็ประการมีฤทธสี่ประการดังกล่าวแล้วทรงชนะครอบครองปฐพีมณฑลมีสาคขพรที่สุดทั้งสิ้นโดยธรรมทรงสร้างโรงทานในที่หลายร้อยแห่งเริ่มต้นก็มหาทาน ให้ราชบุรุษตีกองเปล่าประกาศในพระนครวันละสามครั้งใช่ไหมวันละสามครั้งก็ตีวันละสามครั้งเราบอกว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดผู้นั้นจงมาที่โรงทานรับเอาของสิ่งนั้นเถิดด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดํารัดในการนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละสามครั้งในพระนครนั้นตรงนี้ถ้าเรามองเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญทานบรารมี เห็นไหมเมื่อเกิดมาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วท่านก็เดินทานบารมีอย่างแข็งแรงเลยเพราะว่าเนี่ยถ้าหากว่ามองอย่างนี้ก็คือว่าในการเดินทานากุศลในการนั้นพระมหาสุทัศนะก็ดำลี่ว่าเหตุที่เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นผลแห่งวิบากแห่งกรรมอะไรหนอดังนี้แล้วเหตุที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้อนุภาพมากอย่างนี้ในเวลานั้นเป็นผลวิบากแห่งกรรมสาประการเนะ ตามสประการก็คือหนึ่งในการให้ในการให้ใช่ไมทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีทั้งสิ้นเนี่ยมาจากการให้ทั้งนั้นเลยก็คืออะโลพะเด่นชัดมากฉะนั้นอันที่สองการให้จึงมีทรัพย์สมบัติมากและด้วยการข่มใจสัญญ า, าด้วยการข่มใจเนี่ยธรรมะธรรมะนี่ข่มใจคําว่าธรรมะข่มใจเนี่ยไม่ใช่ข่มใจเหมือนเราข่มเพราะว่าขันติคนะําว่าขันติสังวรเนี่นะ วัขันติเนี่ยอธิวาสนาขันติเนี่ยันหมายถึงการยอมรับได้ด้วยปัญญาตัวขันติเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นพระที่ท่านไปนพิจารณาที่บอกว่าท่านไปอยู่อากาศหนาวเหน็บแสนจากทอลมารท่านก็พิจารณาว่าในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นเปรตเนี่ยหลายร้อยร้อยอัตภาพมาแล้ว ท่านพิจารณาอย่างนี้เนะเพราะฉะนั้นแหละการที่เราจะทนต่อความหนาวเหน็บอย่างนี้ด้วยปัญญารู้เหตุและรู้ผลเราจากไม่ส่งใจไปทางอื่นและจะมานสิการในกรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็น้อมจิตไปในกรรมฐานอย่างเดียวก็เดินท่เดินศีลสมาธิปัญญาไม่ให้จิตหลุดไปจากสิกขาสามเลยหรือกรรมฐานเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าขันติเนี่ยเขาเรียกข่มใจได้ ยอมรับได้ด้วยปัญญามีปัญญาเข้าใจเหตุและผลหรือเวลาไปประสบความร้อนจัดที่เกิดจากอากาศที่ร้อนจัดท่านกพ็พิจารณาถึงเอเวจีมหานรกว่าในสังสารวัตเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดในเอเวจีเราเคยร้อนอย่างแสนสหาหัสมาแล้ว ฉะนั้นถ้าเรามัวประมาทอยู่ไม่ก็ไม่ยอมอดทนแม้แต่น้อยนิดในขณนะเรือประสบอากาศที่ร้อนขนาดนี้ไปทําจิตให้หลุดจากศีล ส, สมาธิปัญญาหลุดจากกรรมฐานเไปเสร็จที่สุดจริงๆเราก็จะกลับไปร้อนใหม่ท่านเห็นเหตุและผลอย่างนี้ท่านก็ยอมรับสภาพนั้นได้แล้วก็เดินสิกขาสามแล้วก็ไม่ทําให้จิตตนเองนั้นตกไปจากกรรมฐานเหรือไปพิจารณามานั่งอย่างนี้เกิดเหลือบบ้างยุงบ้างกัด ไลาตอมบางเป็นต้นอะไรนี่เนืเกิดสัมผัสเกิดจกเหลือบยุงเป็นต้นหรือยังกระทบกระทั่งทางผิวกายท่านพิจารณาว่าในสังสารวัตรที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นอบายสัตว์ประเภทสัตว์เดรัจฉานเนะืเคยโดนโขกโดนสับโดนตะขอโดนเหลือบโดนยุงกัดมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรฉะนั้นถ้าไปมัววิตกกังวลกับสัตว์เลือ้อยคานที่มาตอมมากัดณนะขณะนี้ ไม่รีบเร่งในการเจริญสิกขาสามโภคจิตไว้กับกรรมาฐานที่สุดจริงๆตนเองก็จะกลับไปเกิดใหม่ท่านพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นโทษของสังสารวัฏแล้วก็ผูกใจไว้กับกรรมาฐานอันนี้ก็เรียกข่มใจการข่มใจก็ข่มกันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าข่มแล้วก็กโกรธไปด้วยข่มไปด้วยอันนั้นก็เรียกไม่ไม่เลวศีลการข่มนั้นท่านข่มเห็นเหตุและผลข่มด้วยปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในเหตุและผลชัดเจน ประการต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องกานไปพิจารณาใช่ไหมหิวหิวสองวันสามวันไม่ได้กินอาหารเป็นโตะเราเดือดเลยๆๆท่านก็ไม่ยอมที่จะสะทกสถานหวั่นไหวเพราะในสังสาระที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นเปรตที่เคยหิวมาเป็นพู้ทันดอนก็เคยหิวมาแล้วที่ท่านเล่าก็ไว้ใช่ไหมมีเปรตอยู่ตนนึ่ะที่หิวมากลงมาก็แปลงกายทําให้ยาวก็วิ่งอยู่ที่แม่น้ําคงคา วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาท่านได้ยินเสียงน้ำแต่วิ่งไปแต่ลประดุดดังท่านเหยียบอยู่บนหินดาดที่ร้อนๆวิ่งทั้งคืนพอตอนเช้ามาก็มีพระสามสิบโลเปบินตบาาเจอท่านเจอเปรตเนี่นะวิ่งไปวิ่งมาก็ถาอุบาสกท่านวิ่งอะไรบอกทันหาน้ําบอกเอ้าท่านก็วิ่งเหยียบอยู่นั่นหงท่านลุยหยุดขอบน้ำอยู่เนี่ยบอกโอ้โหบอกว่างั้นนะท่านท่านไม่เคยเห็นเลยอภารเทละก็เลยงั้นท่านนอนลง พระทั้งสาบรูปก็เอาบาตรไปตักน้ําแล้วใครท่านอาปากก็เทใส่ปากเทเทเทจนครบหมดเนี่ยนะสามสิบรูปก็ถามว่าเป็นยังไงอุบาสกน้ําเข้าไปในปากในคอท่านเนีบ้างไหมท่านบอกโอ้ยแม้แต่หยดเดียวยังไม่เข้าเลยถ้าหากว่าน้ําเข้าไปในปากท่านแม้แต่หนึ่งหยดขอให้ท่านเนะี่ยอย่าได้เกิดพ้นจากอัตภาพความเป็นเปรตเลยวะไม่เคยเข้าไปเลย พอพิจารณาอย่างนี้เบ็เสร็จท่านกรรมนาสิกานว่าเราเคยเป็นเปรตประเภทเนี้อย่างยาวไกลในสังสารวัตรฉะนั้นเราจะมายอมทําให้จิตของเราหลุดจากกรมรมฐานหลุดจากสิกขาสามจึงไม่ควรกับเราก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาอันนี้เขาเรียกข่มเขาเรียกว่าขม่าขมไม่ใช่ยอมแบบจำนวนนะแต่ยอมที่จะเพิ่มที่จะทํากุศลธรรมทั้งหลายในกระแสใจตัวเองให้ตั้งมัน่นเพราะคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะเจอเสียงดา่าเจอเสียงบน่นเจอเสียงกระทบกระทั่งใดๆก็แล้วแต่ท่านก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาลักษณะอย่างนี้ท่านเข้าใจว่ากว่าที่ท่านจะมาถามบอกว่าฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ยบุญทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่เกิดมาอย่างมากมายท่านมาด้วยอะไรมาด้วยทานมาด้วยการข่มนะธรรมะโดยการข่มที่เป็นไปกับปัญญาแล้วก็มาด้วยสัญญา마ก็คือการสํารวมเป็นชื่อของศีลเป็นปชื่อของศีล มาจากเจตนาศีลมาจากเจตสิกศีลมาจากสังวรศีลมาจากอวิติกรรมศีลเนก็แปลว่ามาจากเจตนาศีลคือเจตนาคือคิดที่จะทาศีลลกุศลให้เกิดขึ้นได้จริงในกระแสะของชีวิตเนี่ยเพราะเจตนาศีลจิตที่จะทาให้ศีลที่เป็นไปได้บอกว่ามาจะกคำว่าอย่างคาว่าศีลระเนี่ยใช่ไหมศีลระก็คือมีสองความหมายความหมายแรกก็คือการควบคุมกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลือกล่อนกลลไม่ให้กระจัดกระจายด้วยความเป็นผู้ทุศีล ก็แปลว่าไ ม, ไม่ให้กายกรรมนะ่ะร่วงละเมิดเป็นบาปออกมาทางกายไม่ให้วจีกรรมร่วงละเมิดเป็นบาปมาทางวาจาแม้จิตใจนะั้นน่ะศีลเกิดที่ใจนะเกิดที่ใจนั่นแหละแต่มาดูแลกายกรรมวจีกรรมแม้มโนกรรมนั้นก็ถูกดูแลไปด้วยเพราะมีศีกลกํากับอยู่ส่วนอีกความหมายหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเครื่องรองรับคุณธรรมเบื้องสูงศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีตัวกุศลศีลมีเจดนาศีลเจดสิกศีลเป็นต้นความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเป็นต้นท่านในที่เนี้ยเราจะเห็นชัดบอกว่าตัวศีลของพระโพธิสัตว์ที่ท่านเดินมาไม่ใช่เดินเหมือนศีลอย่างเราเราท่านทั้งหลายกุศลศีลของท่านนั้นจึงเกิดอย่างต่อเนื่องมากแม้ทานะเจดนาของท่านก็เกิดอย่างต่อเนื่องมากถ้าเราพูดให้เห็นชัดนะถ้าขับเน้นไปตัวสภาวะจะเห็นเลยว่าหนึ่งไอตัววัตถุภายนอก ที่จะเป็นตัววัตถุกแก่การที่ท่านจะสละัในการที่จะเปณนทรัพย์ทั้งหลายที่มีก็เพียงเพื่ออุปการลแก่สัตว์อื่นเท่านั้นใช่ไหมทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ที่ท่านปกครองดูแลทั้งหมดถ้าท่านเป็นจักรพรรดิราชเนี่ยก็แปลว่าอะไรชมพูทวีปมีไว้ก็เพื่ออุปการลาแก่บุคคลอื่นปบพระวิเทหาทวีปมีไว้เพื่ออุปการลาแก่สัตว์อื่นอัปรากโอยานะทวีปปบพระวิธีหาอุตรากุรุทวีป ทวีปทั้งสี่เหล่านี้มีไว้เพียงเพื่ออุปการลักษณะอื่นถ้าพูดกั น, นตรงประเด็นก็มีไวเพื่อบูชาพระเจ้ามีไวเพื่อบูชาเท่านั้นเพราะว่าท่านเห็นอะไรเห็นสัมมาสัมโพุธิยาณยิ่งใหญ่กว่าทวีปท่านยังกล้าสละทวีปถ้าเป็นจักรพัทเนี่ยท่านยึงกล้าสละเพราะสัมมาสัมพุธิยานยิ่งใหญ่เพราะขนสัตว์หรือสัตว์จากสังสารวัตรนะ่ะหาประมาณไม่ได้ ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นว่าตัววัตถุทานตัววัตถุกามทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเรามองเป็นวัตถุกรรมล้วก็ติดข้องอายกตัวอย่างเช่นพระเจ้ามันทาตุราชในมันธาตุราชชาดกหรือในมหาสติปัฏฐานสูตรเราจะเห็นอะไรพระเจ้ามันทาตุราชตอนนั้นก็เป็นอดีตพระอริสัตเหมือนกันแต่ท่านคิดทีแรกว่าทาวีบทั้งสี่เป็นวัตถุกรรมท่านก็ยึดของแล้วท่านก็ไม่พอใจเพราะโลภะท่านมีกําลังตอนนั้นตัณหาตัณหาก็เกิดขึ้นในใจท่าน สภาพตันหาในใจก็ฝังในใจท่านท่านบอกท่านปกครองชมพูทวีปปุพ้าวิเทหะทวีปอัปราคโคยา น, นาทวีปแล้วอุตรากุลุทวีปและทวีปน้อยสอง0ันเป็นบริวารท่านสามารถออกไปในตบพระหัสามครั้งเนี่ยเงินกหาบนาไหลามาเต็มเต็มท้องเต็มเต็มถนนทนทางเนี่ยท่านบอกมันไม่พอท่านก็ถามว่าถามปรินายกแก้วยังมีสถานที่น่าเรื่อนลมมากกว่านี้อีกไหม ปรินายกแก้วก็บอกมีจ่าตุมหาราชิกาท่านก็ส่งจักไปเลยนะท่านก็ไปเลยเท้าจาตุมหาราชก็ต้องมายกสมบัติให้ในชั้นจาตุมหาราชกาท่านปกครองอยู่พักหนึ่งใหม่ใหม่หมก็อิ่มยังไม่ตัวตันหามันได้ของใหม่ก็ชื่นใจอยู่พักหนึ่งสักพักหนึ่งท่านก็ถามเ ท, ท้าจ่าตุมว่ายังมีที่น่าเล่นลมมากกว่า น, นี้อีกไหม ยังมีเมืองไหนที่พอจะยึดได้อีกไหมที่มันสวยกว่านี้ไหมท้าวจารุลมก็บอกมีเดาดึงท่านก็ส่งจักรไปเลยเห็นไหมเนี่ยส่งจักรไปเนี่ยท้าวสก่าเห็นจักรเนี่ยไม่ลบแล้วออกมาต้อนรับแล้วออกมาต้อนรับก็ขอเจราจาอย่าสึกเนี่ยนะนก็ขอปกครองเมืองก็เลยคือท่านก็โอดูดีโอ้เล่นท่านก็ปกครองอยู่นั่นแหละที่นั่งที่บรรทุกกำ พ, พลศิลาอาดอยู่นั้นนหะท่านอยู่ที่สวรรค์นั่นแหละ ปกครองอยู่จนเท้าสั ก, กา่าเนี่ยตายไปสามสิบหพระองค์แต่ตัณหาในใจไม่เคยหยุดเลยเห็นไหมเนี่ยตอนนั้นท่านมองเห็นอะไรมองเห็นทวีปทั้งสี่ทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารพร้อมจ่าตัวมหาราชกาและดาวดึงเนะเป็นวัตถุกรรมมันน่าไข่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินไม่ใช่มองแค่พื้นแผ่นดินนะทรัพย์สมบัติที่อยู่ในแผ่นดินด้วยประชาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินเพราะสำคัญว่าตัวอย่างยิ่งใหญ่ ที่สุดจริงๆเอาครึ่งเดียวทำไมก็จะจัดการโทรสะก็เกิดขึ้นใช่ไหมความโลภเนี่ยนะการสแสวงหาเนี่ยเมื่อกระตุ้นมากขึ้นมากขึ้นเกิดทิฐิไปเยึดว่าเป็นของเราพอทิฐิมีกําลังทิฐิจะไปกระตุ้นอีกวิถีหนึ่งคือโทสะโชนะโทสะก็จะเกิดว่าเราจะต้องจัดการฆ่าเท้าสกะพอท่านคิดอย่างนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ยด้วยอํานาจของไฟคือโทสะเป็นต้นนั้นก็เผาใช่ไหมที่ส่วนจริงท่านก็หมดบุญตกลงมา ถ้าบอกว่าโทสะทําให้หมดอํานาจใช่ไหมอะโทสะนี่ทําให้มีอํานาจโลภะนี่ทำให้ยากจนอะโลภะนี่ทําให้รวยใช่ไหมทําให้มีทรัพย์มากโทสะก็ทําให้หมดอํานาจเหมือนเนื้อไหมที่ท่านได้มาได้มาจากอะโทสะคือไม่ตันี้ใช่ไหมทรัพย์ทั้งหลายท่านสละท่านให้ท่านให้มาถึงได้มีมีมีอํานาจอย่างเนี้ยมีทรัพย์อย่างนี้มีอํานาจอย่างเนี้เพราะเพราะอ่ะโทสะเด่นท่านมีอํานาจ แต่เมื่อเกิดมาในปัจจุบันที่ท่านได้เป็นพระเจ้ามันธาตุราชนั้นนะ่ะความคิดท่านท่านเปลี่ยนไปด้วยการเห็นทรับแล้วท่านมนสิการพาดบางพบนี่เนะที่ส่วนจริงก็ไปทำลายท่านก็ตกลงมาแล้วก่อนนะั่นก่อนที่ท่านจะสวรรคตท่านก็บอกบอกว่าดูตัณหาสิมันเล่นงานเราบอกให้พระทราบเนะียดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะั่นเราเนะนะี่ยนสมัยนะนะั้น เธอกรสันจะศึกใช่ไหมเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในบรรดาบุคคลที่ร่ํารวยทั้งหลายไม่มีใครถ้ามนุษย์นะไม่มีใครเกินพระเจ้ามานดูลาคนที่มีพระราชาอำนาจมากที่สุดไม่เคยมีประวัติศาสตร์บ่งบอกไว้เลยว่าใครจะมีอำนาจมากเท่าข้าพระเจ้ามานดูลายิ่งใหญ่นั้นะสรุปก็คือว่าความเป็นผู้มีพระราชอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยแต่พังเพราะอะไร พังเพราะความไม่เต็มฉนั้นการถมยังไงก็ไม่เต็มใช่ไหมฉะนั้นอย่าได้อย่าได้คิดจะถมตัณหาด้วยการให้ตัณหาเสพอารมณ์เพราะตัณหาจะไม่เคยอิ่มในสีในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือในธรรมารมณ์ใดๆเลยสภาพตัณหาจะไม่อิ่มในอารมณ์เหล่านี้ตัณหา น, นจะมีความทยานอยากไม่ หบไม่เส้นเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนไม่อิ่มต่อการได้เกาไม่อิ่มต่อการได้ผิงได้อังการไปผิงไปอังเตาไฟแล้วมันแห้งก็ได้เกาแล้วมันมีความสุกคือคันจะปากแผลไอ้หนอนมันก็ชอนชัยไปเรื่อยและไอ้ตัวหนองมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆตันหาเป็นอย่างนั้นมันไม่อิ่มในเชือ้อไม่อิ่มในอารมณ์ฉันใด ฉะนั้นสภาพใจที่ไปยินดีไปเพื่อเพลินในลมก็ไม่อิ่มท่านก็สอนเห็นโทษของตันหาว่าตันหาราคะนี่มีโทษมากอันนี้ชี้เห็นว่านั้นน่ะนั้นคือพระเจ้ามันาทุราษท่านก็ให้ดูประวัติที่ที่ที่ทถ้าท่านทำมาแล้วก็มาพังเพราะอำนานโทษทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่าการข่มใจเนี่ยแล้วก็การสํารวมที่เป็นใบกสี แล้วเมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นเบษษ็ดเสร็จตอนนี้ที่ท่านกล่าวอย่างนี้เบ็ยดเสร็จนะเมื่อท่านให้ทานท่านมาพิจารณาถึงสมบัติของท่านถ้าเราเห็นภาพพระเจ้ามหาทัศนะใช่ไหมท่านก็ยืนชมสมบัติของท่านมีรู้ใครว่าเดเนี่ยเนอะยืนชมมอง ส, สมบัติไม่ว่าจะเป็นทั้งสมบัติอะไรมากมายใช่ไหมที่ท่านได้มาทิศ กรนี่การที่มองมองลักษณะนั้นน่ะท่านคิดอะไรท่านคิดบอกว่าอานณครั้งนั้นพระเจ้ามาหาสุทัศนะเหตุที่เรามีเล็ดมากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้มีบุญมากอย่างนี้มีความยิ่งใหญ่อย่างนี้มันมาได้เพราะอะไรนาะแล้วใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยเมื่อผลปรากฏเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่จะไม่มีเหตุมาเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดท่านเริ่มมองเห็นผลด้วยปัญญายาณของท่านก็ไปสาวหาเหตุว่าทุกอย่างมาจากเหตุเหมือนชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ย ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดใช่ไหมว่าที่เราได้สมบัติในปัจจุบันเนี้ยเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้และอย่างหนึ่งก็คือได้รูปผปสมบัติได้ทรัพสมบัติทั้งหลายได้บริวารสมบัติทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันมาจากอะไรมันมาจากเหตุท่านก็ไปพิจารณาว่าเหตุอะไรหนอเนี่ยทําให้ท่านได้อ๋ออนุภาพอย่างเนี้ยเป็นวิบากมาจากกรรมสามประการนะหนึ่งคือมาจากกา ร, รให้เห่น ไ, ไหมกรรมประการหนึ่งก็คือมาจากกา ร, รให้ ระการที่สองก็คือมาจากาจาจาการข่มใจมาจากการข่มใจถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแล้วก็การสํารวมแล้วก็เสด็จไปในเรือนยอดมหาพยุหะประทับที่ประตูพระทวารเมื่อท่านประทับเบสเสร็จปุ๊บแล้วก็เปล่งอูทานบอกว่าการมวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้เห็นไหมแปบลบว่าสั่งแล้ว ตอนเนี้ท่านบอกการไม้ตกไอ้ความตรึกความคิดในเรื่องของการมาคุณทั้งหลายเหล่านี้จงหยุดได้แล้วต่อไปอย่ามาเข้ า, าในกระแสชีวิตของเราอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะท่านมองเห็นความเสื่อมเห็นความเบื่อหน่ายเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเหตุมันไม่เที่ยงผลจะเที่ยงได้ยังไงต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่จริงทราบเหล่านี้ก็พังอยู่มะท่านพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่ยินดีเราจะไม่เพลิดเพลินแล้วก็แปลว่าท่านสละไอ้การเห็นไหม การที่บำเพ็ญทานบรารมีพัฒนาสุสีนและสามารถที่จะห้ามทัพของกามวิตกซึ่งไหลผูในกระแสใจของสัตว์อย่างมากมายเราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะหยุดกามวิตกได้เพราะอะไรเพราะกามวิตกของเรานั้นไม่ได้ถูกหยุดยั้งด้วยการเดินทานกุศลศีนกุศลศที่ถูกต้องเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเข้าได้ใช่ไหมเพราะการสลวะวัตถุภายนอกยังไม่กล้าแล้วไม่ต้องถึงสละความคิดที่จะไปยึดติดเลย ถ้าไม่ถูกขัดเกลา้าไม่ถูกฟอกจิต ด, ด้วยศีลที่ชัดเจนก็ไม่สามารถจะหยุดได้ท่านก็บอกเกล้ไม่ตกเอ๋ยท่านจงหยุดแล้วจงกลับไปเสียพยาบาทวิตกเอ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้เถิดก็สั่งพยาบาทวิตกให้หยุดให้กลับไปด้วยเพราะว่าความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจทั้งหลายให้ให้กลับไปวิหิงสาวิตกเ อ, อ๋ยเจ้าจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้ความคิดในการที่จะเบียดเบียนทั้งหลายจงหยุดจงกลับไปเพียงแค่นี้เถิด ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นบอกว่าอานน์จากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เข้าไปสู่เรือนยอดมหาวิยุหะประทับนั่งบนบันลังทองสงังอาจจากกรามสงังอาจจากอกสุรธรรมอัลามกแล้วก็ยังปฐมชาญให้ตั้งขึ้นนี่แปลว่าได้ปฐมชาญแล้วนะปฐมชาญมีวิตกวิจารณ์ปิติและสุกเกิดแต่วิเวกอยู่และ ว, วิตกวิจารณ์ก็สงบระงับบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสในภายในมีภาวะจิตที่เป็นหนึ่งผุดผ่องขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติจางหายไปมีวิเบสมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะด้วยสุขด้วยนามกายบรุษตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสารเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะละสมนัตโทมนัตดับไปแล้วบรุษเจตุติฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติสัมปชญัปชญตะตชญะเพราะเบกขาอยู่สรุปก็คือหลังนั้นท่านก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติฌานได้เจตุติฌานแล้วก็จเจริญ พร้อมวิหารทั้งสี่แผ่ไปในทิศน้อยและทิศใหญ่ตลอดถึงทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แปลว่าท่านอยู่ในสมาบัติในฌานทั้งหลายเหล่านั้นนะะนั้นท่านบําเพญ็ญท่านท่านสละทั้งหมดแล้วก็บําเพ็ญบารมีเหล่านั้นทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าที่ท่านบําเพ็ญบารมีจริงอยู่มหาบุรุษปรารถนาแต่จะให้ทานจึงสร้างเครื่องประดับต่างๆอย่างนี้อย่างมากมายเป็นต้นเหล่าเนี้นะถามว่า ในใจของท่านตอนที่ท่านบําเพ็ญบารมีทั้งหลายเหล่าเนี้อุปมาเวลาท่านมีความต้องการจะเจริญทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, ม่าเป็นต้นเหล่านี้ท่านเหมือนบุตรถูกโรคครอบงํากระสับกระส่ายประสงค์จะให้หายจากโรคต้องการให้หมอผู้เยียวยาพอใจคือยินดีด้วยทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นแล้วปฏิบัติตามวิธีก็จะหายจากโรคนั้นชั้นใดแม้เราเพราะพริษัทท่านก็คิดอย่างนั้นแหละ ใครเคยมีความต้องการจะเจริญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีขนาดนั้นไหมขนาดอยากจะพบหมออยากจะหายจากโรคคงคนป่วยถ้าบอกบอกว่าเราก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะเปื้อนสัตว์โลกทั้งสิ้นที่มืดบอดด้วยอวิชชาที่มืดบอดได้โรคคือราคะโทสะโมหะมานาทิฐิวิจิกิจชายิริกาโนตปาอุทจจั และโรคคือความทุกข์ในสังสารวัตรทั้งสิ้นรู้อยู่รู้แจ้งว่าการบริจาคทรัพย์ทั้งปวงนี้เป็นทานบารมีเป็นอุบายแห่งการปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายในโลกนั้นๆฉะนั้นจะปลดเปื้องจากสัตว์ทั้งหลายออกจากกา ร, รมภูมิรูปภูมิและรูปภูมิเป็นต้นได้เพื่อยังอัตยาสัยของสัตว์เหล่านั้นทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยอํานาจแห่งผู้รับทายธรรมโดยไม่มีส่วนเหลือและโดยอํานาจแห่งการ แห่งมหาทานโดยไม่มีเศษเหลือด้วยมหาทานมีศีลเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะอันหนึ่งทานบา ร, รมีของเรายัางไม่บริบูรณ์แก่ตนเพราะฉะนั้นเพื่อยังใจที่บกพร่องนั้นให้เป็นไปได้วความว่าในใจที่บกพร่องให้เต็มแปลว่าให้เท่าไหร่มันก็ไม่เต็มให้เท่าไหร่ก็ไม่เต็มก็เลยสละทั้งหมดเนก็เลยสละทั้งหมดถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าทั้งหมดที่พระองค์ให้นะ่ะจริงให้ทานแกว่วานนี้พราะคู่ขอและให้มหาทานเป็นปานนี้ เราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอววรไม่ได้ยินดีไม่ได้หวังไม่ได้ประสงค์อะไรในการให้ทานให้ทานเนี่ยนะไม่ได้หวังในการมนุษย์สมบัติจักพัทสมบัติไม่ได้หวังสักกาสมบัติมาละสมบัติพรมาสมบัติสาวกบารมียานไม่ได้หวังอัคคระสาวกบารมียานก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวังปัจเจกพุทธิยานแต่หวังมาซึ่งการบรรลุสัมมาสัมพุธิญานอย่างเดียวแล้วนะ นี่คือการบําเพ็ญบารมีของของพระพุทธเจ้าทีนี้ประการต่อมาที่สุดจริงๆพอครบที่ท่านบําเพญ็ญตรงนี้นะเนี่ยมาสรุปพอดีหมดเวลาเนี่นะว่ามาสรุปประเด็นตรงนี้ให้เดียวก็คือว่าในวันที่ท่านจับทิ้งสลีแล้วก็คือท่านมาพิจารณาตอนนั้นท่านตรัสบอกแกท่านพรนนนะอนุนบอกว่าตอนนั้นก็คือนาง พัทธาเทวีก็มาเฝ้าแล้วท่านก็สั่งให้ให้บุคคลดูแลนั่งเตียงบันทมไปตั้งไปตั้งไว้ข้างนอกแล้วก็นางสุพัทธาเทวีก็อ้อนวอนใช่ไหมอ้อนวอนบอกว่าบอกว่าบอกว่าพระองค์มีเมืองขึ้น8 4 0 0มสี่พันเมืองมีปราสาท8 000, 4ด0มืี่พันปราสาทเรือน ย, ยอดแ4ด0มื่นสี่บนหลัง แล้วก็บรรลัง8ปด0มืสี่ันบรรลังช้าง8ปดหมืสี่ันเชือกม้าแปดหมื่นสี่พันตัวรถแปด0มืสี่พันคันแก้วมณีแปดมืนสี่พันดวงเป็นต้นอันนี้สาบกครณีแปดมื่นสี่พันนางสนมแปดหมืสี่พันเป็นต้นตลอดถึงทั้งสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายแม้กระทั่งอาหารกวันละแปดหมืสี่พันสำหรับผ้ากวันละแปดหมื่นสี่พันโคภาพเป็นต้นอห่า น, นี้ขอให้พระ อ, องค์เนี่ยโใจไว้กับ รัตนะหรือสมบัติเหล่านี้เถิดอย่าด่วนปริณิพาเออยาด่วนสวรรค์คตเลยท่านก็บอกว่าดูก่อนสุภัทธาเทวีบอกว่าเธอพูดไม่งามเลยพูดไม่เพาะเลยบุคคลที่ตายด้วยความอาลายัยตายด้วยความอาวรณ์ตายด้วยความร่มหลงมีคติที่บัณฑิตหน้าบัณฑิตติเตียนเนอะมีคติที่ไม่น่าปราถนาไม่น่าชอบใจเป็นต้นนะให้เธอพูดใหม่นางก็พูดใหม่ว่าขอพระองค์อย่าได้ อะไรเมืองขึ้นแปดหมืนสี่พันเมืองปราสาทแปดหมืนสี่พันปราสาทเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลังเป็นต้ น, นเอยางนี้อย่าได้อะไรเลยให้ถอนอาลัยเธอต่างก็พูดไปร้องไห้ไปด้วยตอนนี้เนี่ยให้บอกว่าอย่าได้อะไรเลยบอกงั้นบอกว่าประทับนั่งเหนือบัลลังก์ด้วยทองคำนะประตูนั้นแหละยังท่านยังท่านท่านความพิจารณาบอกว่า บอกสุภัทธาเทวีที่เป็นหัวหน้าอมาร์ตกับสมาชิกที่มาประชุมกันซึ่งเข้าไปเพื่อจะเฝ้าในมรณะสมัยท่านก็พิจารณาหลังจากนั้นท่านก็มาพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงบอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบระงรับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเป็นต้นเมื่อสิ้นสุดเห่งพระชนมายุก็ได้ไปเสด็จไปสู่พรหมโลกทีนี้ถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นนะ จะเห็นที่ท่านที่ท่านมาพิจารณาที่บอกว่าท่านมาปรงเกี่ยวกันในเรื่องของการใครควรพิจารณาที่บอกว่าอานนท์บอกว่าถ้าบอกว่าที่ท่านให้พิจารณาในการปรงธรรมาสังเวช า, วาอวกว่าเมื่อนางสุพัสเธอทวีกลาบทูลอย่างนั้นแล้วเนี่ยเธอทักทายในสิ่งที่ไม่น่าปรานาถ้าพิจารณาหเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้นะ ท่านก็บอกบอกว่าอาโนนเธอคงเห็นว่าเนี่ยบอกว่าพระนางสุพัตทาเทวีในครั้งนั้นเน่ะท่าน ก, กา็พยากรได้มาเป็นพระมารดาของพาระลาหุนในบัดนี้ปรินายกในครั้งนั้นเน่ะได้มาเป็นพระลาหุนในบัดนี้บริษัทที่เหลือในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเราเคยเป็นบริษัทของพระเจ้าหมหาสุทัศนาไหมเป็นไม่เป็น ถ้างั้นเราก็คงไม่ได้มาเป็นบริษัทของพระเจ้าในขณะ น, นี้แต่บริษัทมีหลายจําพวกนะใช่ไหมเป็นบริษัทประเภทดื่ม น, น้มําเมาก็มีนะครั้งนั้นนะใช่ไหมเป็นนักเลงก็มีเป็นพวกนักเลงก็มีแต่บริบรษัทที่ว่าพา่อพ่อหมาสต า, าเคยเลี้ยงดูแต่ให้พิจารณาว่าว่านั่นแหละพระองค์ก็ทําพยากรณ์นี่ดูว่าส่วนส่วนราช พระราชามหาสัตว์ในครั้งนั้นได้ได้เป็นพระโลกกนนาคือเป็นพระเจ้าทีนี้ถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าในคําสอนบอกว่าเราการที่เราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมในแผ่นดินใหญ่มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตได้รับชัยชนะมีอาณาจักรที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการได้ทอดทิ้งสตรีละไว้ณนะสถานที่นี้ถึงหกครั้งแล้ว พระรัชาของผู้ตอนที่ปรินิพานบอกว่าการทอดทิ้งสรีละในครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดอ น, นุนเราไม่เห็นสถานที่อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่พระตถาคตจะทอดทิ้งสรีละเป็นครั้งที่แปดเลยพระบรมศ า, าสดาตรัสพุทธภาษิตวิยกรภาษิตอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสประพันธ์คถาว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเห็น ไ, ไหมตอนนี้สมบัติของพระเจ้ามหาสัศนะไม่เที่ยงหมดสิ้นไปหมดแล้วบริษัทของท่านทั้งหมดก็ไม่เที่ยงหมดสิ้นไปหมดแล้วแม้แต่ถ้าพิจารณาให้ใกล้ๆนะสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นภายในและภายนอกให้สังเกตดูนะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่พระพุทเจ้าก็บอกว่า พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกพระพุทธเจ้าภิกษุภิกขุนีอุบาสกบาศิกาในยุคนั้นสังขารเหล่านั้นก็ปรินิพานกันเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่เที่ยงหนอะมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าไปสงบระงับการสงบระงับนั้นเป็นชื่อของพระนิพานนะถ้าเราสงบระงับสังขารคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ได้ไม่ทําสังขารคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ทำตาหูจมูกลิ้นกายใจให้กำเริบขึ้นมาอีกได้นั่นแหละเป็นความสุขที่สุดในโลกแต่ถ้าตราบใดเราทำตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้กำเริบแล้วแล้วเราเล่าจากภพนี้สู่ภพอื่นจากภพนี้สู่ภพอื่นนี้ชื่อว่ากำเริบฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทสังขารไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าสงบระงับคือถ้าปรินิพานได้จะเป็นบรมสุขจะเป็นสุขที่สุดในโลก ฉะนั้นการฟั ง, ฟงพระธรรมเทศนาครั้งนี้ของเราท่านทั้งหลายขอให้เป็นอุอปนิสัยปัจจัยนะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมจงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายประชุมทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะเป็นปัจจัยการละบาปอากุศลธรรมอันลามกก็หมายความว่าละอกุศลกรรมบวชสิบตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบว10แล้วประชุมศีลสมาธิปัญญา ในอุปจารลสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิคือการมาฉันทาพยาบาทีนมิทธาอุทจักกุกุจาวิจิกิชาอาวิชชาอากุโสลธรรมอลามกเหล่านั้นได้และประชุมศีลสมาธิปัญญาในปฐมฌานทุติยฌานตติฌานเจตุทัชฌานและในอรูปฌานในส่วนจริงส า, สามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณทุกระดับ ตั้งแต่อนิจานุปัสสนาเป็นต้นจนถึงปฏินิสค า, านุปนนัสสนาสามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคอริยผลมีอนุปาทาปนินิพานคือการดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหนือด้วยกันทุกท่านทุกประการเถิสาธุ <lite leash elles> สาธุสาธุในนามของสัตดาเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาสนทำบูชาทำบุญยตรา